ลมเข้าก็แปดหมื่นชีพระธมขัณลมออกก็ครอบแปดหมือนชีพัทธมคันณถ้าเราจะขยายในลมเข้าลมออกถ้าเราไม่ขยายเราก็มาสงสัยจะขยายหรือไม่ขยายก็มาสงสัยจะย่นหรือไม่ย่นก็ไม่สงสัยพระ อ, อาณาปาชสติลมหายใจเข้าออก ดึงกรรมฐ า, าน อ, อื่นๆมาให้อยู่ได้ถ้าจะพิจารณาถ้าเป็นปัญญาพอเรารู้ว่าลมเข้ามันก็เป็นอดีตไปแล้วพอเราบัญญัติว่าต้นลมก็เป็นอดีตไปแล้วพอเราบัญญัติว่ากลางลมก็เป็นอดีตไปแล้วถ้าเราบัญญัติว่าท้ายลมก็เป็นอดีตไปแล้วเราบัญญัติว่า ลมหายใจออกต้นลมก็เป็นอดีตตะแยแล้าบัญญัติว่าลมหายใจออกกลางลมก็เป็นอดีตตะแยแล้วบัญญัติว่าลมหายใจออกท่ายลมก็เป็นอดีตตะแแล้วเนื้อขึ้นแต่ละวุทธละบาทเป็นอดีตตะแยแล้วพูดออกมาในปัจจุบันก็เป็นอดีตไปในปัจจุบาลทะล่วงไปไม่อยู่เหมือนลมพัดกายภายนอกผ่านไปผ่านไปผ่านไป มีเรียก่าปัญญาปัญญายาปะปฏิสุขคติบุคคลจะบอกีิสุขก็พระปัญญาบุคคลจะสิ้นความสงสัยตอนใดๆก็พระปัญญาฉีนไม่มีจะมาทิจะมีมาจากประตูไหนสมาธิไม่มีปัญญาจะมีมาจากประตูไหนก็มีความหมายอันเดียวกันฉีนสมาธิปัญญาไม่อยู่ตะกนละมุมโลก ตัดศีลลงในลมหายใจเข้าออกตั้งมั่นลงในลมหายใจเข้าออ ก, อกรอบรูในลมหายใจเข้าออกก็มีทัางศีลทัานสมาธิทั้งปัญญาอยู่ในตัวแล้วเรียกว่าวิปัสสนาธุระไม่ใช่ว่าศีลธุระสมาธิธุระแต่มันดึงกันอยู่ในตัวเรียกว่าวิปัสสนาธุระหรือเรียกง่ายๆว่าปัญญาธุระธุระแห่งปัญญา ปัญญาแบ่งออกเป็นสองโลกุตรปัญญาศีลก็แบ่งออกเป็นสองโลคุตระศีลโลกิยาศีลโลกุตระปัญญาโลกิยาปัญญาสมาธิก็แบ itas, ่งออกเป็นสองโลกิยะสมาธิโลกิยาปัญญาโลกิยาโลโลกิยะสมาธิโลกุตระสมาธิ ปัญญาก็แบ่งออกเป็นสองโลกิยะปัญญาโลกุตระปัญญาทำสมาธิเพื่อพระเนพานเรียกว่าโลกุตระสมาธิรักษาศีนเพื่อพระเนพานเรียกว่าโลกุตระศีลทำปัญญาเพื่อพระเพผานเน่รียกว่าโลกุตระปัญญาตจำก่อนั้นลงมาทำเพื่อหาราภหาผล เป็นโลคีทั้งนั้นลมหายใจเข้ามีทั้งอณิจจังทุกขังอนัตตาควบกันอยู่ลมหายใจเข้ามีทั้งศีลสมาธิปัญญาควบกันอยู่ลมหายใจเข้ามีทั้งเกิดแก่เก็บตายควบกันอยู่ ลมหายใจเข้ามีทั้งขุดพระพุทธธรรมพระสงฆ์ครอบกันอยู่หาประมาณไม่ได้ถ้าจะพิจารณาไปในทางข้อวัดลมหายใจเข้าก็มีทั้งโรคกวดหลงหาระหว่างไม่ได้อกีกเหมือนกันนีของอันเดียวไม่เกี่ยวกับการสงสายรู้อันเดียวก็รู้หมดนะ ชรปนกุศทั้งพวงรวมลงมาในลมรวมหายใจเขาออกแล้วชาพธรรมทั้งปวงก็รวมรวมลงมาในหายใจเขาออกเหมือนกันพระนิพพานก็มีอยู่ทุกลมหายใจเขาออกนั่นศีลก็มีอยู่ทุกลมหายใจเขาออกสมาธิก็มีอยู่ทุกลมหายใจเขาออกปัญญาก็มีอยู่ทุกลมหายใจเขาออกไม่ใช่ว่าเราพิจารณาศีลศีลจึงจะมีเราพิจารณาปัญญาปัญญาจึงจะมีเราพิจารณาโรคโรคจึงจะมีไม่เป็นอย่างนั้นเพราะสิ่งทั้งพวงมันมีในปัจจุบันหมดแล้ว เราจะเห็นหรือไม่เห็นมันขึ้นอยู่กับเราอีกสางเราจะรู้ชัดหรือไม่รู้ชัดขึ้นอยู่กับเราอีกสางเราจะสิ้นความสงสัยหรือไม่สิ้นความสงสัยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละท่านแต่ละบุคคลทุกสิ่งทุกอย่างมันรวมในปัจจุบันมีอยู่แล้วเนี่ยมีด้านปัญญานัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสริมเสมอโดยปัญญาไม่มีสองทะลุใจโลกธาตุเลยสองทะลุภูเขา เห็นอันนี้จางเขาเรียกว่าสองทะลุภูเขาเพราะภูเขามันแตกเป็นสลายเป็นยึแต่โลกธาตุจะไปเลือความไม่เที่ยงเพิ่มกำังลมเข้าออกบางท่านก็พิจารณาความไม่เที่ยงไม่เที่ยงเพิ่มกำลังลมเข้าออกบางทางบางท่านก็พิจารณาทุกทุกเพิ่มกำลังลมหาใจเข้าออกบางท่านก็พิจารณาไม่ใช่เรามัใช่ของเราเพิ่มกำลังลมหายใจเข้าออกก็ชินความสงสัยในโลกต่างปวงเหมือนกันถ้าไม่อย่างนั้น มันเป็นราล้าเชือกขามันเป็นนุ่นปริโยไปตามลมมันไม่ชัดนาเจ้าของบางท่านอยากนั่งอยากนั่งได้เท่านั่นท่านนี้ท่านั่งคืนท่านในวันเออนั่งได้ไม่นั่งไม่เป็นปรรัญญาขอให้มีปรรัญญานั่งได้ก็ไม่ได้ไม่เป็นปัญหา อ, อืนั่งได้อยู่จนตลอดลุ่งไม่มีปัญญาก็ไม่มีความหมายเดินได้ตลอดวันไม่มีปัญญาก็ไม่มีความหมาย ทุกสิงทุกอย่างมันจริงอยู่แล้วเราจะยอมจริงไหมเราจะยอมรู้ทาเป็นจริงไหมทุกมันก็มีอยู่แล้วทุกลมหายใจเขาออกสมมติไทยมันก็มีอยู่ทุกลมหายใจเขาออกความทะเยอทยานในวัฏจักรส า, านมัดเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ก็มีอยู่ทุกลมหายใจเขาออกเราจะทําให้เกิดให้มีหรือไม่นิโรธ ทำให้ซึ้งความสงสยัยทําให้แกล้ก็มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเราเอารมหายใจเข้าออกและสติและปัญญาเป็นแว่นสองทางเป็นพระพุพะทธธรรมประสง์มารวมอยู่ในที่นี้เป็นแปดหมื่นสีพระธรรมขันธ์มารวมอยู่ในที่นี้เราจึงจะไม่สงสยัยหาเป้านั่นเป้านี้พิจารณากายเป็นอารมณ์ก็ดีกายก็มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเวทนาความเสวยอารมณ์สุขทุกข์เบกดขาก็มมีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก สัญญาความจำได้ไหมลูกก็มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกสังขารความปรุงแต่งเหตุผล ก, ก็มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกวิญญาณในทางต า, งางหงูจมูกเลี้นงกายใจก็มีทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อจับลมหายใจเข้าออกชักแล้วก็มานักอื่นก็มาดึงดูดมาอยู่ในที่นี้อืเหมือนทิอดเหนือน่ะมันดึงเข็มทิอขึ้นไปเทือดนเทือมีกิริยาราบมันก็ดึงขึ้นไปเหมือนน้าห้อยหนองของเมือ ง, ามมงบา ง, อางต่างๆ เมือนมหาสมุทรทะมันดึงน ห, หน้ามวยนองคลองบึงบางต่ตางๆไลลงสู่มันฉันใดก็ดีอานาปานสติกก็เหมือนกันโน้มหันก็ออกเราจะอ่านหรือไม่อ่านก็แล้วแต่เราจะสงบอยู่ก็แล้วก็เป็นเรื่องของเราเราจะไม่สงบเราจะวิจารณ์ก็วิจารณ์อยู่ในที่นั้นเดี๋ยวให้นี้หรักถ้านี้รักแล้วพอเหลืองเจิ้งจะเห็นเทวบุตรเทวนาเห็นพระ อ, อุ่นิะพมพยมพระการจะตรวจสอบนังทึกมาก็ตามเมื่อเห็นเกิดขึ้นแล้วมันแปรปรวนไปแล้วก็น้อมลงสู่ใจรัก มาก็ไปที่ย่เป็นทุกข์เกิดอากาเหมือนกันกับลมที่เราตั้งไว้อย่างนี้แต่อนี้เป็นพยานเอาเป็นตัวประกันแล้วก็ชิ้นความสงสัยทันนั้นบรรดาท่านทุกเป็นบ้าเป็นบอเพราะไปเห็นในเม็ดก็เป็นบ้ากับในเม็ดไปเห็นนรกเป็นบ้ากับนรกไปเห็นสวรรค์ก็เป็นบ้ากับสวรรค์นรกสวรรค์มันเกิดขึ้นแล้วแปลปรได้แต่สลายทั้งนั้นถ้าน้อมลงสู่ตายรักเรามันจะประหลงอะไรเห็นผู้เห็นคนเห็นอย่างนั้นอย่างนี้เห็นแสงสว่าง ก็ดีเห็นอะไรก็ดีเออเห็นเธอบุตรเทวนาก็ดีเห็นอะไรซารพัด่ะสิ่งที่เห็นนั้นมันเกิดขึ้นแล้วแปลปวนได้จากสายทางนั้นที่เราเห็นนีจากสายลงไปไม่อยู่ไม่ตั้งอยู่แล้วก็น้อมลงสู่ใจลัคน์เลแล้วก็พอใจพิจารณากรรมฐานเดิมอาศัยอาจารย์เดิมอาจารย์เดิมคืออะไรคือลมหายใจเข้าออกที่เราตั้งไว้กรรมฐานเดิมที่เราตั้งไว้อาจารย์เดิมอุปชาเดิมก็เหมือนกันถ้าใจไมดกก็เหมือนกันเรารวมไว้นี่แล้ว ตไตรแปลว่าสามเปดกแปลว่าที่รวบรวมรวบรวมของกายว่ายกายนั่นพูดเป็นสามรวบรวมของกายว่ายในกลมกับละหายใจเขาออกแล้วสติก็รวมล ง, ลงอยู่ในที่นี้ไม่ต้องสงสยัยไม่ต้องสงสัยหาถ้าเราสงสัยหามันก็ไม่เห็นถ้าเห็นแล้วเราก็ไม่ต้องหานั่นถ้าหาเราก็ยังไม่เห็น อาณาปณะสติมีพิจารณาเราพิจักพิจารณาอันทำอันปาสจากลาคะพ้อกับลมหายใจเข้าทำอันปาสจากลาคะพ่อมกับลมหายใจออกเราจักพิจารณาทำอันปาสจากโทสะพ้อกับลมหายใจเข้าทำอันปาสจากโทสะพ่อมกับลมหายใจอจกอกเรจาจะไม่หลง ว, ว่าลมเป็นเราเราเป็นลม จิตเป็นเราเราเป็นจิตทุรุปเป็นเราเราเป็นทุรุภาพครับลมหายใจเขาออกนั่นมีอยู่ทุกขนทุกเหนียนยาขนาดเดียวนักษาโรคได้ตั้งพันที่อยางหมื่นอย่างแสนอย่างก็คือลมหายใจเขาออกนี่เองมันอยากรวมก็ใหมันรวมซะเมื่อมันออกมาก็พิจานาอยู่นั่นแหละพิจนาอ น, นิจังทุกขังอนัตตายอยู่ไม่มีกังวลก็คือพระอนาคามีบางพง์ พิจารณาไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงเพิ่มความมให้ใจเขาออกอยู่ไม่มีววกังวลกังคือบาพอ ana, ปพระองค์ก็พิจารณาทุกๆอยู่ไม่มีกังวนกังคือบาปพระองค์ก็พิจารณาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอยู่เพิ่มความรมให้ใจเขาออกไม่มีกัง ว, วนกังคือนี่ปัญหาสอดเข้ามาว่าพระสวสดาบาลสักกะทาคามีพระอนาคามีพระหลานพิจารณาอันเดียวกันหรือไม่พิจารณาอันเดียวกันอยู่แต่ว่ามีสติปัญญายิ่นยนอดกว่ากันแต่ฉานกว่ากันในเวลาที่พิจารณานั้น พิจารณาของอันเดียวกันนั่นเองกรรมฐานอันเดียวกันนั่นเองเราไปดูไก่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะเป็นไก่เราไปดูเป็ดก็ไม่ใช่ว่าเราจะเป็นเป็ดเราไปดูโลกก็ไม่ใช่ว่าเราจะเป็นโลกเราไปไปดูเรงก็ไม่ใช่เราว่าจะเราเป็นเรีง ท่านพระใดทรงใช้อะไรก็ถามมาทีอะนี่ถ้าอย่างนั้นมันเทศไม่ถูกกุดมันอธิอบายไม่ถูกกุดนั่นนัันนนนน่เอาไปถ้าใครเนื้อเียนอะไรก็บอกให้ถามกันบอกบอกให้ถามอันนั้นดูรู้วาอย่างนั้นทำให้พอบินิจกรรมให้พอมันก็ลงเท่านั้นอใครต้องการถามเข้ามา ต้อามถามมต้องการก็ถามเอาหลวงปู่หลวงปู่หูไม่ค่อยดีต้องถามดังๆบ้างแต่หลวงปู่เป็นโรคหัวใจนี่เสียงดังเหมือนจิ้งหลดนี่ร้องอยู่ยี้ไม่มีกลาวันคืนยี้อยูไม่มีกลางวันคืน ใคต้องการก็ปารบเอา้าไม่ต้องกลัวไม่ไม่ต้องละอายหรอกก็ไม่มีปัญหาเนีมันก็มีตัวอย่างอยู่เหมือนกันทำไมพระบรมศาสดาใกล้จะเข้าสู่ป ร, รินิพพานพิสุองไหนต้องการจะถามเราก็ถามซัอ เดี๋ยวจะหมดเวลานะูอพระบรมสารลักลณก็ไม่มีภิกษุองค์ในจะถามเลยนะอ๋ อ, อ, อ, อ, อครับอยากผมอยากจะกราบเรียนถามหลวงปูเกี่ยวกับเรื่อง เ, อเวลาตายนะฮะคือสมมติว่ายุคสมัยนี้ก็ ตางกัสมัยตอนที่ผมเป็นเด็กเพราะว่าจิตใจคนรู้สึกว่ากิเลสเป็นมากขึ้นถราสมมติว่าเราทําความดีแล้วเราตายไปแล้วเราเกิดไปชาติหน้าเนี่ยก็ยุคหน้า ย, ยิ่งกิเลสมากขึ้นใหญ่เนี่ยคนคนยิ่งกิเลสมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราก็ต้องสมมุติเราไปเกิดในยุคนั้นเราอาจอาจจะค่อยตามตามคนจนมากไปซึ่งเราอาจจะต้องตกในชาตินีงก็ได้คนไข้ เพราะว่าจากจากตอนที่ผมเป็นแ็กเน่รู้สึกว่ารู้สึกจิตใจคนจะต่างกยุคความเป็นตนโตทีนี้สมมติว่าสาผมเกิดตายไปในชาตินี้แต่ว่าผมก็ทำาระโยชน์ไว้ยอยังไม่เพียงพอต้องมาเกิดในยุค ข, ของรุ่นหลังหลานของผมเนี่ยฮะซึ่งยุคนั้นผมคิดว่าอาวุธร้ายแรงอะไรต่างๆโรคร้ายาต่างๆนี้ก็คงจะมีเพิ่มขึ้นตปกๆเรื่อยๆ คือขนาดยุคนี้ก็ยังมีโรคใหม่ๆคือโรคเอดส์นะฮะทีนี้ถ้าคนสมมุติว่าเราทำความดีเราเกิดบังเอิญต้องไปเกิดในยุคนั้นเนี่ยเราก็ต้องรับเคราะห์กรสิ่งนี้ไปเดยนะท่ผู้ที่มีโรคมากเป็นผู้ที่เคยเบียดเบียนสัตว์ชอบฆ่าชอบแกงบ่อยๆเมื่อเกิดมาในภกใดชาตใ ด, ดก็ต้องเป็นผู้มีโรคมากและเป็นผู้มีอายุ<ม>สั้นอีกด้วย พระบรมศาสดาโขนเอกไทยมาแล้วถ้าหากว่าจะเกิดมาในยุคใดๆก็ตามถ้าเราไม่มีไ ม, ไ, ไม่ได้เคยเบียดเบียนสัตว์ไว้โรคอันนั้นก็ไม่มาติดเราเราเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปมากโรคอันนั้นก็มาถึงเขาจะไม่มีเราก็มีคนเดียวเพราะมันเกิดจากกุศลุ น, นบุญของใครของมันอันนี้บางท่านมันมีโรคเกิดมาในขั้งพุทธการ มีพระองค์หนึ่งไม่ได้ชันขาป้อมสมองไม่สันยาเลยท่านไม่มีโรคอะไรกระปี้กระเป๋ามีแต่โรคชืราอันเียวเพราะแต่ชาติก่อนท่านไม่ได้เบียดเบียนสัตว์อันนี้คือความําคัญอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับปานาที่บาดอีกละนั่นนั่นเข้าใจพอแล้วนะเนี่ยนะครับหลวงปู่แล้วสมมุตินะฮะคือยุคสมัยนี้เนี่ยหลวงปู่มีอาวุธเชื้อโรคมีอาวุธเจนีนะฮะ ถ้าสมมุติว่าถ้าเราคือมันก็เกิดไปไปทั่วหมดเลยฮะ ถ, ถ้าแบบนั้นคือคนก็ต้องได้รับเคาะกันทั่วๆอย่านี้ใช่ครับสมมุติว่าถ้ า, ถ, าถ้าเกิดเตุาาการเป็นนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยก็ทั้งโลกนี่จะต้องรับข้ อ, อกันต่างๆกันงนีถูกร้อยเปอร์เซ็นต์ไปรับเคาะกันแต่ว่าพระบรมศารีริกธา ไม่ทรงสนเสริญชาติเราเป็นสุขเจนไม่ยินดีในชาติทั้งปวงนี่คําที่สูงคำในชาติเราก็เป็นทุกข์ไม่ทุกข์อันหนึ่งก็เป็นทุกข์อันหนึ่งเองถึงแม้โลกจะไม่เบียดเบียนก็ตามก็ไม่พ้นตายอกีกก็จะเร า, า, า, าเป็นทุกข์เองชาติที่พิทุกขาท่านกเป็นทุกข์เนยอุบายใดจึงจะได้มาไม่มาเกิดแก่เกีบตายในวาระท้องสารนี่เองพระพุทธศาสนาธรรมชั้นสูงถ้าไม่ชาติได้พบอยู่ไม่อันหนึ่งก็อันหนึ่งแหะ แต่ว่าส่วนที่เกิดมามีหลักเบากว่ากันฉันผู้เกิดมาไม่มีคนเบียดเบียนเพราะแต่ชาติก่อนไม่เคยเบียดเบียนเขาไม่มีใครเคยรักซกยกห่อเลยแต่ชาติก่อนก็เพราะไม่ได้รักเขามีภรรยาหรือสามีหรือบุตรหลานก็ค่อยก็ไม่มีใครจะทําละเมิดในกามารมณ์หรือล่วงเกินประเวณี ก็พระไม่เคยทําเขาแต่ชาติก่อนพระบรมศาสนาถืออย่างนั้นพระพุทธศาสนาถืออย่างนั้นเกิดมาเป็นคนโง่เพราะแต่ชาติก่อนเข้าไปหาครูบาอาจารย์หรือพ่อแม่หรือพระพุทธศาสนาไม่ค่อยใต่สวนไม่ค่อยศึกษาเส้นดำศึกษาทําอะไรเกิดมาจะเป็นคนโง่ฟังอะไรก็ไม่ค่อยเข้าใจผู้ชนะก็ตรงกันข้ามผู้เกิดมาตระกูลสูง สิ่งเหล่านี้เป็นแน่งบุพการกำของสัตว์ทั้งหลายทั้งนะั้นเละบุพการกำสิ่งบุพการกของสัตว์ทั้งหลายที่สร้างมามีคาสสองแกนสองหัหนึ่งก็เหมือนกันรูปโฉมก็เหมือนกันสติปัญญาก็เหมือนกันตระกูลก็เหมือนกันทั้งนี้เป็นด้วยพระกุศลฟุตนบนที่สร้างมายิ่งย่อนกว่ากันนั่นเองพระพุทธศาสนาสอนอย่างนั้นพ อ, อกระจ่างไหมทีนี้พ อ, อกระจ่างแล้วนะ เราก็จังพูดจะเกิดตระกูลสูงเพราะได้เคยได้เคารลครูบาอาจารย์หนักที่สุดหนักในทางเคารลสุดที่สุดเหมือนสมเด็จพระบรมราชาเป็นต้นแต่องค์แต่ชาต่านก่อนองค์ท่านเคารลมากเหฉะนั้นจึงได้เกิดตระกูลสูงพวกเราคนเกิดตระกูลต่ำชาวนาบ้าอะไรบ้าพ่อฆ่าบ้าเศษรษฐีบ้าเอคนกระยายจกบ้านี่ พระโมคคณาเกิดตระกูลเมตธาทิติอืรูปภัรฑ์ของท่านสร้างอะไรมาไม่ทราบมารดาของพระโมคคณาได้เป็นมารดาของพระละหันมาถึงเกศชาติแล้วแต่ยังไม่เลื่อมใสในพุทธศาสนาพระโมคคณามีบุปกรรมอย่างไงจึงได้ไปเกิดในตระกูลที่เป็นเมตธาทิติเราก็มาไดเรียนสะอานี่เราก็มาได้ศึกษาสะอนี่แต่ก็คงมีบุปกรรม์อยู่ เห็นแคนั้นจริงว่ากรรมวุ่นวายนาวัตติโลโกสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมของตนนั่นเองกรรมเมกําลังมากกรรมและผลของกรรมเมกําลังมากฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงมีการเบียดเบียนกันต่างๆนานาในทุกยุคทุกสมัยโลกระเบิด Clear, น, นิวเคลียร์อันนั้นอันนี้สารพัดมันไม่มีที่จะหลีกเว้นแค่แล้วในไตโลกทาตมีที่จะหลีกเว้นสิ่งเดียวก็คือพระ น, นิพพานเท่านั้นจะหลีกเว้นได้โดยจะ็ขาด พ้นจากี่เดสแล้วไม่มาเกิดแก่เจ็บตายจะเรียกเว้นสิ่งเหล่านี้ได้ผลุดท่ายมันขึ้นอยู่กับที่นั่นถ้าไม่ค่าไม่พบอยู่แล้วจําเป็นก็ต้องได้ประสบไม่น้อยก็ต้องมากด้วยอา น, นิสงส์ที่มาในวัดตาท่องสารเนี่ยเป็นยิ่งยวนกว่ากันเหมือน่อไงก็พ้นแก่พ้นเจ็บพ้นตายไม่ได้เนอนั่น ถึงจะไม่มีโรคเบียดเบียนสักเพียงไหนก็ตามพ่นแก่เก็บตายไม่ได้นั่นถึงจะร่ารวยสักเพียงไหนก็ตามพ้นแก่เก่เกิดแก่เก็บตายไม่ได้อืพ้นจากดีใจเสียใจไม่ได้ชาติความเกิดเป็นทุกข์ชาความเกิดเป็นทุกข์มนั้นความตายเป็นทุกข์โสกปฏิเทวทุกขโทมนัสโอปายะความคับแค้นก็เป็นทุกข์ปรารถนาไม่สมหวังก็เป็นทุกข์ปรารถนาสมหวังแล้วเป็นชั่วขณะก็มาพัดพากไปเสีย ก็เป็นทุกข์ใจเองอโดยใจความก็คือปัญญขันนี้เองเป็นทุกข์รูปก็เป็นทุกข์เวทนากขเป็นทุกข์สัญญาก็เป็นทุกข์สังขารก็เป็นทุกข์วิญญาณก็เป็นทุกข์รูปคืออะไรบ้างคือดินน้ำมะสมกันเป็นประชุมกันเป็นกายเยาว่ารูปเวทนาคือความสวยอารมณ์สุขทุกขอ์อุเบกขาสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้แปลว่าได้แต่สายไม่สมประงค์ของท่นานผู้ใดเลยผลที่สุด ข, ของพระพุทธศาสนาะส่งต่อไปอย่างนั้นถ้าเราหวังอยากจะมาเกิด นวัตตะสงสารโดยอีกบ่อยๆเลยปัญหามันก็ไม่จบง่ายละ ม, มาเจอทุกอยู่อย่างนั้นแหละที่กราผิดภาษาเหี่วข้าระหายนาวก็เป็นทุกนั่นพระบรมศาสดาอุจโรปัจโวโหวติไปอุจระปัจว ะ, ะก็เป็นทุกเห็นละเอียดจนถึงเพียงนั้นแม้หายใจเข้าออกก็เป็นทุกกายใจทังขารสภาพอันแจกกายหายใจเข้าออกเห็นละเอียดถึงขนาดนั้นลพระบรมศาสตาจัดว่าเป็นทุกขข ผลทุนท้ายทำชั้นสูงถ้าเรายังแสวงจิตใจไม่เบื่อไม่หน่ายไม่คลายไม่หลงในวัฏสงสารอยู่แล้วเราก็จะมือมาเจอทุกอยู่ไม่น้อยก็ต้องมากจะให้ไม่เจอไม่มีเลยชาติพี่ทุกขาแต่มันตีครอบหมดแล้วเป็นพระอินทพระพรมพระยมพระการจะตุรโธกบาลทั้งสีนั่นไม่เป็นทุกดอกไม่ไม่เว้นเลยทุกกันหมดเพราะมีแก่มีจก้มีตายสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่อนั่นเป็นทุกข์มันเสมอกันมันน่ากองเลย แม่บาปและบุญก็ยังเป็นทุกข์อยู่บาปและบุญเป็นเสบียงบาปอ๋อบุญเป็นเสบียงเพื่อข้ามข้ามทะเลหลงเหมือนเรือขี่ข้ามทะเลแต่ทั้งอย่างนั้นก็ยังเป็นทุกข์อยู่หมดอันนิสงแล้วก็ยังมาเป็นบาปอีกถ้าถึงพระสวัสดิวันแรกก็มีหน้าที่จับถึงพระานง่ายถ้าทํากว่านั้นลงมาแล้วไม่มีหน้าที่ละ ถ้าเราแสดงหาความสุขในโลกสุขในโลกมันก็มีอยู่เพียงหนึ่งสุขเกิดแต่ความไม่ทรัพย์สองสุขเกิดแต่จ่ายทรัพย์บริโภคสามสุขเกิดแต่ประกอบการงานที่บาดจเจากโทษและสุขที่ไม่เป็นหนี้เป็นสินกับใครเท่านั้นเหลือนอกนั้นเป็นถึงอย่างนั้นมันก็อยู่ได้อำนาจอนิจังเหมือนกันเกิดขึ้นได้แปลปวนและแตกหลายมือนกันโลกกระทำแปลกทำที่ครอบงำศาสตว์โลกอยู่ และสันโลกย่อมเป็นไปตามธรรมนั้นเรียกว่าโลกธรรมโลกธรรมนั้นแปดอย่างคือมีลาบหนึ่งไม่มีลาบหนึ่งมียศหนึ่งไม่มียศหนึ่งนินทาหนึ่งสรรเสริญหนึ่งสุขหนึ่งทุกข์หนึ่งโลกธรรมแบบประการนี้เกิดขึ้นควรพิ่จะณาว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรรู้ธรรมที่เป็นจริงอย่าให้มันครอบความจิตได้คืออย่ายินดีในส่วนที่ปราถนาอย่ายินร้ายในส่วนที่ไม่ปราถนาอิทธาลมคือยินดีอันอนิทธาลมคือไม่ยินดี เราจะมาหาสุขในใตโลกธาตุมันไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่เห็นพระละหัน์ท่านถืออย่างนั้นท่านผู้พ้นไปแล้วท่านถืออย่างนั้นมันไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่เห็นถ้าหากว่าโลกทั้งหลายมีสุขเท่าเมล็ดงาเชื้อแล้วพระละหันก็ข้ามพ้นโลกไปไม่ได้เพราะเวียนญาณมิติสนธิจะไปข้างอยู่ที่นั้นเหตุเช่นั้นท่านจึงมายืนอยู่ในโลกทั้งพวงเพราเห็นว่าโลกทั้งพวงเป็นทุกข์รดขีติแตปเผู้ใหญ่ยับไปเพระบรมศาสดาไม่รับรองว่าโลกเป็นสุข สุกของบัณฑชตก็มีสุขอยู่สี่ประเภทสุขถึงพระโสดาบวันสุขสกทาคามมสุขอนาคามาเมสุขถึงพระรหัสท่านนั้นแล้วนอกนั้นพระบรมศาสตราไม่บัญัติสุขสามีสุขสุกอิงอามิษฐาท่านท่านท่านไม่ทรงสนเสริญนิราอมิสุขสุขไม่อิงอามิษฐคืออิงเมนือขมะออกจากราคะโทสะโมหะพระบรมศาสตราจนจัดเราเป็นสุขสุขไายสุขไกลก็เดี๋ยวก็เป็นสุขนิดหน่อยเดี๋ยวก็มีหิวข้าวละหายน้าอันนั้นอันนี้มาทรมานเหมือนกัน ความเก็บเกิดขึ้นจากและดูแผลปวนความเก็บเกิดขึ้นจากเปลี่ยนอิทิยาบทไม่เสมอความเก็บเกิดขึ้นจากไม่บากของกรรมความเก็บเกิดขึ้นจากและดูแผลจากเปลี่ยนอิทิยาบทไม่เสมอคือเรานั่งมากมันก็ปวดแข้งปวดขาสเรายืนมากมันก็ปวดก็เก็บเรานั่งมากก็ปวดก็เก็บเรานอนมากมันก็ปวดก็เก็บะ่ <attracted S 1> <Meine. S 2> ทุกทุกประจําสังหารเธอทั้งหลายจงรู้ตามเป็นจริงสั ถ้าเธอทั้งหลายไม่รู้ตามจริงกิตของเธอทวะเธอทั้งหลายก็จะมาทะเยอะทะยานในทุกอยู่อย่างนี้เองนั่นพระบรมชาติเธอเธอทั้งหลายจงพิจารณาให้จริงเน้ร่างกายนี้มีทุกข์มากมีโทษมากเน้อเราอ า, าพาธต่างๆยอดตั้งอยู่ในกายนี้มันเกิดขึ้นที่นี่มันก็ตายที่นี่มันก็เกิดขึ้นที่นี่มันตายมันตายที่นี่เหมือนหญ้าที่เกิดขึ้นในดินท่านพูดอย่างนั้น<嗯>ถ้าเราพูดก็ต้องพูดดิ่งถึงพระ涅槃ถ้ามาอย่างนั้น เราพยายามแสวงหาสุขในโลกแต่มันไม่เจอมันไม่เจอมันมเห็นน่ะพระพุทธศาสนานเป็นพระพุทธศาสนาที่มีจุดอยู่พระนนพานถ้าไม่ถึงพระนนพานแล้วก็เป็นทุกข์ไม่มีจุดอยู่เพียงมนุษย์โลกแลสะสตวรรค์โลกพรมโลกมีจุดที่สุดทธายอยู่พระนนพานสิ่งเดียวเพื่อดิงถึงแต่ถ้ามันไปไม่ได้ให้มันข้างยู่นี้ดีกว่ามันจะไปลงนรกท่านพูดอย่างทัานบอก ทีนี่เข้าใจแล้วหรือไม่เนี่ยคุณทีนี้อยากขับเรียนถามท่านผู้่ห้องนะว่าสมมตุติถ้าเรายังไม่บรรลุโสดาบันแล้วก็ชาตินี้เราศรัทาพุทธศาสนาแต่เราไม่ได้ทิศฐานเลยทีนี้ตายไปเนี่ยชาติต่อไปนี่ถ้าเกิดเกิดไม่ศรัทธาพุทธศาสนาก็ตอนนั้นจะเสียโอกาสมากนะคุณผู้ชมคือถ้าเราทิศฐานบ่อยถึงเราเกิดมาใหม่นี่เราก็ยงังศรัทธาอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมครับคุณผู้เป็นต้องทิษฐานนหมครับ เวลาชาติ น, นี้เป็นสมมุตทธำบุญแล้วเนี่ยอ้โหการอธิษฐานเหมือนกันก่อนที่จะอธิษฐานก็จิตลงเราแน่วแน่ซะก่อนเราเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพียงไหนเราจึงอธิษฐานไม่ใช่จะอธิษฐานโดยไม่แยบคายแล้ว เ, เชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขนาดไหนถ้าเราเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เหนือใดใทั้งปวงในโลกเราก็อธิษฐานได้เราก็กล้าอาธิษฐานความอาธิษฐานของเราก็แ น, น่นถ้าเราไม่เชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พอแล้วอธิษฐานความอธิษฐานของเราก็แตกกระเจึงอ แล้ก็อธิษฐานตามปริยัติเฉยๆจิตของเราหนักลงไปทางไห น, นหนักลงไปทาง พ, พระพุทธรธรรมประสงค์บ้างหรือไม่มีข้อนี้สําคัญมากถ้าจิตของเราหนักไปในทาง พ, พระพุทธรธรรมพระสงค์คําสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้ถึงพระานโดยแน่แท้ไม่สงสัยละถ้าเรานึกอย่างนั้นแล้วก็อธิษฐานได้หรือไม่อธิษฐานจิตของเรามันก็ลงแล้วถ้าเราเชื่ออย่างนั้นถ้าเราหากว่ามีผู้มาปั่นเราเราจะไปเลื่อมใสาศรราสตาอื่นรัฐที่อื่นอยู่แล้ความความอธิษฐานของเราก็แตกกระเจิง ส่วนพระโสดาบันเนี่ยอธิษฐานหรือไม่อธิษฐานของจิตของท่านคนดิ่งถึงวนอภิภานแล้วจิตของท่านก็ไม่ดิ่งไม่ถอยออกจากพระพุทธศาสนาแล้วไม่เสียใจอยากถอยออกจากพระพุทธศาสนาผูมาพระโสดาบันใครจะมาปั่นเต็มโลกก็ตามไม่มีคนเดียวก็ตามเขาจะไปนับถืออะไรมดโลกมดไตโลกธาตุทั้งล้านก็ตามอาสงไขอ่อาสงไขก็ตามท่านแม่ไปด้วยเจ้าของท่านเพราะท่านเห็นดิ่งลงไปในทางถูกแล้วมันถอนไม่ออกเข้าใจนะทีนี่นะ อืเพราะว่าผมเคยผมเคยได้ยินมาเขาบอกว่าโยบตายไปเนี่ยจะจําจ ะ, ะชาติต่อไปเนี่ยส่วนมากเราจะจําอะไรไม่ค่อยได้จำํำจำชาติตอดีตไม่ค่อยได้ก็กลัวว่าถ้าเกิดชาติต่อไปถ้าเกิดไม่ศรัทธาพุทธศาสนาเราจะเสียดายมา ก, กคําว่าโชคกัจจปโนโหรือผู้มาในพระพุทธศาสนาท่านรับรองแต่เฉพาะพูดถึงพระโสดาบันเท่านั้นเหลือนองนั้นท่านไม่รับรองบางทีก็ไปนรกบางทีก็ไปสวรรค์บ้าง บางทีเข้าไปสัตย์รักษาเพราะมันมีร้ายบางทีเพราะมันเป็นมดไก่ขอบกระด้งมันวนอยู่เพราะมันไม่ไม่ตรงทางออกไปเข็มทิศมันไม่ชี้ไปทางทิศเหนือน่ะมันชี้ไปทุกขนทุกแห่งไม่ไม่ขี้ไปทางทิศเหนือขาดตัวเหมือนเส็ยงทิศเสียทิศมันชี้ไปทางทิศเหนือขาดตัวยิดตรงพระสวดาวันตัวี้ไปในทางพระนิพพานขาดตัวจะทําบุญให้ทานนักขาสินภาวนาเพื่อคนทุกข์นวัตาสงสารทังนั้นไม่ได้ทําเพื่อเอาเกียรติเอายศ หรือเอาหน้าเอาตาอะไรกลุ่มคิกของพระโสดาบันแปลกเราแปลพวกเราไหยถ้าพวกเราเป็นอย่างนั้นเราก็เป็นละถ้าเราพวกเรายังไม่เป็นอย่างนั้นมันก็ยังไกลอยู่อย่างนี่ใครพระโสดาบันอยู่เราสงสัยไหมสงสัยพระพุทธธรรมพระสงฆ์ถ้าเราสงสัยพระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่สงสัยคำสอนเพราะว่าเรามาศนาอยู่ก็เรียกว่าเรายังไม่ถึงพระโสดาบันไม่มีเครื่องสอบเราสงสัยว่าจะรวมละเมิดชิ้นท่าอยู่มันก็ยังไม่ใช่พระโสดาบันเราสงสัยจะผูกเวรถูก อะไรคับท่านผู้อื่นอยู่ก็มไม่ถึงพระโสดาวันเราสงสัยว่าเราเรียกพระผ า, าบัดเบอร์เ่าเนี่ยมันจะเป็นของกิรังยั่งยืนมันจะเป็นของแคแค่นได้อย่างนี้มันก็ไม่ใช่พระโสดาวั น, นเข้าใจแล้วนะที่นีจ่จะนั่งงดคืนตลอดรุ่งก็ตามจะอดอาหารจนมผมผมผมเหนื่อยก็ตามลนก็ตา ม, ก, ตามก็ไม่ใช่จเจริญกรมพออาจจะนั่งนิ่งสักเพียงไหนก็ตามจะเข้าทาน ถึงสิบวันสิบห้าวันจก็ออกก็ตามถ้าคิดใจยังไม่เรื่อมใสต่อพุทธศาสนามันยังไม่เรื่อมใสพระ涅นอยู่แล้วยังจะภาวนาหาราบอยู่แล้วมันก็ไม่ใช่พระโสดาบันน่นนั่นั่ั่นเข้าใจไหมผู้ภาวนาหาเรื่อหาผาเดี๋ยมันไม่ใกล้ละมันยิงไกลไปละเหตุฉะนั้นท่านจึงไม่รับรองท่านรับรองเท่านั้นพระบรมศาสตร์นะสุจิปโนโจยยะสามีเท่านั้นท่านรับรองนี่เนื้อสาวกของเราตถาคต ถ้าม่รับรองว่ามหานิกายที่ทำมยุทธสายหลวงปู่มั่นสายหลวงปู่เทศสายหลวงปู่แอนสายหลวงปู่นั้นตัวนี้เป็นสาวกของเราอสายปากน้ําหรือสายอะไรต่ออะไรถ้าไม่ได้ยืนยันพระบรมศาสดาทามหานิกา ย, ยที่ทำมยุทธท่านก็ไม่ยืนยันสาวกสายกาท่านก็ไม่ยืนยันท่านยืนยันแต่เพียงว่าพิทุสรมเณีนก็มายืนยันยืนยันแต่เพียงว่าผู้ใดถึงพมพระพระธรรมพระสงฆ์ไม่อนแย่นคอนแคลนและมีทิ้นห้าบริบูรณ์ไม่ไม่ด่างไม่พร้อยไม่ใช่ได้อย่างร่ำรวย พราะนั้นและไม่เสียดายอยากค้าขายเครื่องปหารค้าขายมนุษย์ค้าขายสับเป็นเนื้อสัตว์ที่ตัวค้าเพอเป็นอาหารค้าขายน้ำมานค้าขายยาพิษไม่เสียดายอยากทำอยากไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดและก็ไม่เสียดายอยาก จ, จองเวีนท่านผู้ใดนั้นภูมิพรสัสดารวันมีขนาดเมื่อภูมิพัดพสดารวันมีแล้วภูมิจักทาคามีอานาคามีพระทหารไม่ต้องเอ่ยหรอกมันไปเปลี่นไปเองมันค่อยเดินไปเองมันไม่หลงทางมันไม่เนื้อว่าจะเลี้ยงซ้ายแล้วขวาอืเดินชาติแ้วเดียวก็เดินตรงไปเลยจะเกิดอย่างมากก็แปดชาติโอ้เก็บชาติ อย่าง <c oughs> ถ้าเป็นพระสวดาบาลอยู่อย่างมากก็เจ็ดชาออย่างกลางก็สามชาอย่างเลีวที่สุดก็เกิดอีกชาติเดียวเข้าไปเลยกสูงกันในฟานเลยนั่นละภูมิของพระสวดาบันถ้าตามก่อนนั่นลงมาพราะเรามาศ า, าสานามแม่ดองไม่รับรองเพราะเป็นอนิจจโตบุคคลอยู่ <c oughs> สิ่งไหนเท่ละแล้วไม่สงสัยอีกพระสวดาบันสิ่งไหนเท่าได้ลแล้วไม่สงสัยอีกไม่กลับคืนมาอีกเลยนะ ไม่สงสัยว่าจะเอาคืนอีกเลยิงไหท้ทีละแล้วไม่สงสัยว่าจะขบเจ้าขอคืนเช่นถึงพระพุะทธธรรมประสงค์แล้วไม่สงสัยว่าจะขบดเจ้าของคืนใครจะเอาเงินมาให้เต็มแผ่นฟ้าแผ่นดินก็าตามไม่ขบดคืนเพราจิตใจมันแนี่ยเนี่ ย, ยลงแล้วมันเลื่อมใสพอแล้วมันเป็นอาจารและศรัทธาแล้วเข้าใจนะทีนี้เออการนั่งเดินั่งมากนอนมากยืนมากเดินมากไม่สําคัญมันสําคัญอยู่ที่ปัญญา อืถ้าปัญญาถึงมาพูดประธรรมมสงแนวแน่เนาะแล้วไม่สงสัยว่าจะขอดเวีท่านผู้ใดล่ะอันนั้นละภูมิของพระอริยะเขามาทําผิดท่านก็ไม่จองเวียนเขามึงเถอะกูไม่ได้เอามึงเหลี่ยมนั้นกูจะเอามึงเหล่ยมนี้ให้มึงเสียชื่อเสียงอิสรภาพไม่มีนะท่านเออเคยได้สร้างกรรมสร้างเวียนกับเขามาแต่ข้าชาติก่อนก็ให้แล้วกันไปสัก ถ้าเข้ามาก่อใหม่ก็ให้เรากข้าไปซะเราจะไม่ตอบแทนแต่เราโกรธด้วยความโกรธของเราไม่ถึงกับไปนรกเพราะไม่ไม่สามารถจองเวรมันจะไปทำไมนรกอะนั่นเข้าใจแล้วนะทนีนี้นั่งเอา้าทีนี้มันศีลห้ามันรักษาดีแล้วคนนศีลห้ารักษาคนคนมารักษาศีลห้าเพราะเราไม่รักษาอยากเพราะเราไม่เสียดายอยากจะล่วงเขาเรียกว่าศีลมารักษาทีนี้เข้าใจไหม เราไม่เสียดายอยาจะถือศาสตาอื่นเขาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มารักษาเราแล้วใช่ไหมออยู่ที่หัวใจถ้าเราเสียดายอยากจะถือศาสดาอื่นอยู่ก็ศาสตราอื่นก็มางออยู่ที่บนหัวใจของเราอยู่นั่นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ไม่าแย่งไม่มาแย่งเขาเอี่ยใครเลยเ <c oughs> <c oughs> ข้าใจไหม <c oughs> นี่ ผู้จะไปนรกเวลาใกล้จะตายส่วนพสวดัดิบาลไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกข้ามไปแล้วพระสวดัดิบาลเวลาใกล้จะตายภาวนาไปไม่ได้ภาวนาดอกปรากฏเห็นไฟแรงโลดขึ้นหรือเห็นแสงไฟก็ดีแต่ไม่ได้เพ่งกระสินไม่ได้สมมุติว่าเพ่งกระสินแต่มันเห็นเองความเห็นนั้น ยิบยังยังมันในพลิกไปทางอื่นทีนี้ยังมไม่ทำพลิกไปทางอื่นเลยตายค่านั้นก็ไปตกนรก<ม>พอเปลี่ยนญาณมันไปแล้วทนะ<ม>ีนี้ใกล้จะตายมาไปเห็นฐานา้ําไปเห็นหนทางแล้วก็ยังไม่ใช่ท่านในพลิกไปทางอื่นก็เช่นลมพานในขณะนั้น ก็ไปเกิดเป็นสัตติรัชานนั่นหหนเอกพระพุทธศาสนาไทยไปแล้วเม่ลใกล้จะตายมาไปเห็นคันมารดายังมาด้พิกไปทางอื่นก็ชิ่นลมปราณในขณะนั้นก็ไปเกิดกับมารดาเอกใกล้จะตายมาเห็นเทวบุตรเทวราเห็นเวมานยังไม่ได้พิกภพทางอื่นชิ่นลมปราณในขณะนั้น ก็ไปเป็นเทวุตเทวดามีวิมานที่อยู่ใกล้ก็ตายไปเห็นที่มืดมนอนทการมองอะไรไม่เห็นเลยมืดแปดด้านที่นี่ก็สิ้นลมปรานในคณะนั้นยังไม่ได้พิจิตไปทางอื่นก็ไปเป็นเ ป, นเปรตนะเรียกว่าคติคติที่จะไปส่วนพระอรหันต์ไม่ได้เป็นอย่างนั้น เวลากล้จะตายก็ไปเห็นร่างกายของตนเช่นเห็นลมหายใจเข้าออกเป็นตน้นลมหายใจเข้าออกก็จับเป็นกายเลยเพราะจับเป็นกายไปสังหารไปลงเห็นลมหายใจเข้าออกอยู่คณะคิดหนึ่งก็ดีหรือเห็นกายส่วนใดส่วนหนึ่งก็ดีเห็นผมขนเล็บฟันส่วนใดส่วนหนึ่งก็ดีหรือเห็นความเกิดแก่เก็บตายส่วนใดส่วนหนึ่งก็ดีแล้วไม่ติดอยู่ทั้งผู้รู้ในปัจจุบันด้วยทั้งอดีตทั้งอนาคต ด, ด้วย พิกิตลงสูนใครับเป็นจะสักว่ารู้เป็นจะสักว่าเห็นไม่ใช่สักไม่ใช่บุคคลจิตก็ว่างจากสักจากบุคคลไม่สําคัญตนว่าเป็นผู้รู้ไม่สําคัญว่าผู้รู้เป็นตนไม่สําคัญว่าตนเป็นผู้ศูนไม่สําคัญว่าศูนย์เป็นตนใดๆทั้งสิ้นวิญญาณมรดิสัติก็ไม่ไปติดอยู่ที่ไหนก็เข้าสู่อนุปาทิเษสษะฌานไปซักนะพระรหันต์พระห ร, ระหันต์ตายต้องเป็นแบบนั้น นพุทธชนคนหนาของเราเนะ่ยส่วนพระโสดาวันไม่ต้องว่าหรอกจะตายเวลาไหนท่านก็ไปสุขติสักคาคามมอนาคาเมียก็เหมือนกันส่วนพระรหาสเนี่มีข้อวัดอย่างนั้นเข้าใจแล้วนะที่นีเเ้เราเริ่มใช้พระพุทธศาสนาแล้วเราเริ่มไส้พ่อเหตุได้พราะคำสอนพระพุทธศาสนาเป็นคําสอนที่ดีเด่นสามารถทํำบุคคลให้พ้นจากาลเกเรได้ ตามฐานะของพุที่ทรรน้อยหรือมากตามวาทศนะบาลามีของแต่ละท่านละท่านเราไม่สงสัยว่ารัฐที่อื่นๆจะดีกว่ารัฐที่พระพุทธศาสนานเลยอันนี้เป็นภูมิของโลกุตระจิตโลกุตระธรรมเลยถ้ายังสงสัยอยู่มันก็ไม่ใช่ที่บางท่านก็บอกว่าศาสนาใด ใ, นในก็ดีทั้งนั้น่อย่างนั้นอันนี้พูดเพื่อไม่ให้เขาแยกเพื่อไม่ให้เขาโกรธให้เราเ้ยเฉย ตัวของเรายินดีในาศาสนาพุทธพูดเพื่อมาให้กระทบกระเทือนเขาใเฉยๆาศาสนาไหนมันก็ดีเหมันกันแล้วก็พูดในสังคมเพื่อให้เขาไม่รังเกียจเราไอ้ที่แท้เราหนักในาศาสนาพุทธแต่เราไม่เอย่ยถูกไหมอืมแต่เราไม่เอย่ยเพราะเก่งคนมากระวังปากท่านพูดอย่างนั้นอยู่คนเดียวระวงังจิตพูดที่เขาไม่ชอบเขาก็เบื่อหูเราใช่ไหม อ, อย่เขาพูดเราก็เออเออไปตามเขาเฉยๆถ้าเราเชื่อใจได้เราก็ดึงเข้ามาถ้าไม่เชื่อใจเขาก็อย่าไปดึงเขาทำให้เขาเป็นเรียนเป็นภัยกับเรา <c oughs> คำสอนของพุทธศาสนาเออเยุเดหยวๆพระมุนพระ น, น้มันตานียบทกับพระ สารีบุตรถามกันต่างก็เป็นอรหันต์แล้วท่านปฏิบัติพรโมจันทร์เพื่ออะไรเพื่อศีลบริสุทธิ์หรือไม่ใช่อย่างนั้นเพื่อจิตบริสุทธิ์หรือไม่ใช่อย่างนั้นตอบกันพระสารีบุตรเป็นผู้ถามพระปุณณมันตานีบุตรปฏิบัติพระพุทธศาสนาเพื่อศีลบริสุทธิ์หรือไม่ใช่อย่างนั้นเพื่อจิตบริสุทธิ์หรือไม่ใช่อย่างนั้นเพื่อทิฏฐิบริสุทธิ์หรือไม่ใช่อย่างนั้นเพื่อข้ามพ้นข้นคนความสงสัยหรือไม่ใช่อย่างนั้น เพื่อยาลัทธศนาวิสุทธิหรือไม่ใช่อย่างนั้นถ้าอย่างนั้นเธอปฏิบัติพรหมจรรย์เพื่ออะไรเพื่อดับไม่มีชื่ออาไม่มาเกิดเจ็บเก็บตายอีกท่านตอบกันพระรหัีนี่เออเราไม่เคยเห็นกันมามาตอบกันก็ถูกความหมายของกันแล้วท่านชื่ออะไรชื่อปุณณมตานียบ ท, ท่านชื่ออะไรชื่อสารีบทเท้ามกันพระรหัส ก, ก็ถามกันงนัวกัน ถทาที่่ากนั้นมันก็ไม่มีสิ่งที่จะสัส้คๆกันไม่ใช่ว่าพ้นแล้วก็ต่างคนต่างอยู่ไม่พูดกันเลยทีนี้พญ ย, ยามากะทีนี้พญ า, ามกะมีมิจาสิติเห็นผิดว่าพระอรหันต์ตายแล้วศูนย์นี่ด้านปัญญาเนอเนี่ยไม่ใช่ด้านสมาธิเนอ ใครไปแก้ท่านท่านก็ไม่ลงพระทหารตายแล้วต้องศูนย์สิไปถูกนักเลงดีพี่เนี่ยไปหาภาษาสารีบทเขาก็หลอกไปหาภาษารียบทไปหาภาษาเรียบทภาษาเรียบรก็ถามว่าได้ยินท่านว่าพระทหารตายแล้วศูนย์อย่างนั้นหรือครับผมยินดีอย่างนั้นเอา้าผมจะบอกให้ท่านหาพระทหารในขั้นห้าดูสิคั้นห้ามีอะไรบ้างให้ท่านให้ท่านหาพระทหารในขั้นห้าดูสิ ขันห้ามีอะไรบ้างผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกหม้ามหัวใจตับปังผือดไตปอดไส้ใหญ่ไส้ใหญ่ปลาข้างหนึ่งอยู่คอหอยปลายข้างหนึ่งอยู่ทวารหนักไส้น้อเซลล์เนียวไส้ใหญ่อาหารใหม่ที่คืนลงไปอาหารเก่าอาหารใหม่ที่คืนลงไปผสมกับกระเพาะนี่อาหารเก่านี่เป็นธาตุดินดีเสร็จเนื้อเลือด เหื่อมันค้นน้ําตาอยู่ที่คุ้มตาทั้งสองและอไรออกมาจากคุ้มตาทั้งสองน้าลายออกจากใต้ลิมน้ํามูกออกมาจากเนีหนน้ํนาไขข้ออยู่ตามข้อกระดูกน้ํามูดเอออันนี้ก็เป็นแต่สักว่าธาตุหน้าหาพระรหัสในในธาตุลมเลยลมพัดขึ้นเมื่อบนลมหายลมเลยลมอวกลมพัดลงเมื่อต่ําลมหายลมลมหายอุจจาถ่ายปัสสาวะลมในท้องนอกไส้ ลมในไส้ลมพัดไปตามตัวเส้นเอ็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่เห็นพระอรหานจริงหาพระอหันต์ในธาตลมไม่เห็นหาพระอรหันในธาตไฟไฟที่ยังกายให้อบอุ่นไฟที่ยังกายให้สุดโต่งไฟที่ยังกายให้กระวนกระวายไฟที่เผาอาหารให้ย่อยอืเป็นแต่สักแบบไฟสักไม่เห็นพระอรหันต์ดินน้าไฟลมมีสุมกันเป็นกายเดียวกวับรูปละใี่ไหนี่เดียวกวับรูปขันเนี่ย หาพลังงานในเวทนาความสวยอารมณ์สุขทุกอุบเบกขาสัเนี่สุกกายสุกกายก็เป็นแต่สภาวะสุกกายสุกกายเวทนาความสวยอารมณ์สุขก็ดีทุกก็ดีอุเบกขาก็ดีก็เป็นแต่สภาวะสุขว่าสุ ข, ว, สขว่าอุบเบกขาสักเดี๋ยวก็เกิดขึ้นดับไปแปรปรวนไปนทีนี้นมีเรีกว่านามขันเลยเรี ย, ยวกว่าขันห้า รูปกายดินนับไฟลมประชุมกันเป็นกายเรียกว่ารูปเรียกว่ารูปขันเวทนาเป็นเวทนาขันคือความสวายอารมณ์เป็นขันอันหนึ่งจับเป็นขันอันหนึ่งขันทะนึ่ลมหายลมลมหายอุจจาระหายปัสาวะลมในท้องนอกไส้ลมในไส้ลมพัดไปตามตัวเส้นเอ็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่เห็ น, หรนหพระรหั น, นที่นีหาพระรหันในธาตุลมมาเห็นหาพระรหันในธาตุไฟ ไฟที่ยังกายให้อบอุ่นไฟที่ยังกายให้สุดโรธไฟที่่างกายให้กรธกรวายไฟที่เผาอาหารให้ย่อยอเป็นแต่สักว่าไฟสักใหม่เป็นพันลังดินน้าไฟลมมันสุมกันเป็นกายเดียวกว่ารูปเราใช่ไห น, นี่เดียวกว่ารูปขันเนี่ยพระลันในเวทนาความสวยอารมณ์สุขทุ ก, กเขเบคะาช่ไหมสุกกายสุกกายก็เป็นแต่สาระสุกกายสุกกายเวทนาความสวยอารมณ์ ก็ดีทุกกรดีอุเบกขากรณีก็เป็นแค่ามว่าสุขว่าสุขว่าอุเบกขาสักเดี๋ยวก็เกิดขึ้นดับไปแรปรปรวนไปอืทีนี้มีเรียกวาน้ำขันไงนเรียกว่าขันห้ารูปกายดินน้ำไฟลมเป็นรูปกายเป็นกายเรียกว่ารูปเรียกว่ารูปขันเวทนาเป็นเวทนาขันด้นวยความสวยอารมณ์เป็นขันอันหนึ่งจัดเป็นขันอันหนึ่งขันทะเนี่ง สัญญาความจำรูปจําเสียงจํากสิ่นจํารสจำผลฉัพทะจําธรรมารมสังขารความปรุงแต่งแห่งกิจให้ดีให้ชั่วให้เป็นต่างกางวิญญาณความรู้ทางตาอาศัยรูปกระทบในตาเกิดความลู้ขึ้นเรียกจักปวิญญาณอาศัยเสียงกระทบหูเกิดความลูกขึ้นในียกพาตาวิญญาณอาศัยกลิ่นกระทบจมูกเกิดความลูกขึ้นเรียกขานะวิญญาณอาศัยรสกระทบเลี้ยนเกิดความลู้ขึ้นเรียกขีวหะวิญญาณอาศัยผลฉัพทะกระทบกายเกิดความลูกขึ้นเรียกกายวิญญาณ อาศัยธรรมอารมณ์เกิดขึ้นกับใจเรียกมโนวิญญาณก็เห็นเป็นแต่สักว่าอารมณ์หกวิญญาณหกไปสักพระรหันต์ไม่เห็นใะแล้วใชนี้เอ้าผมจะบอกให้ท่านมีอิสระหาพระรหันต์ซิอยู่ในสกุลละกายและใจของท่านนี่ยมีไหมกายก็เป็นแต่สักว่ากายเวทนาก็เป็นแต่สักว่าเวทนาจิตก็เป็นแต่สักว่าจิตธรรมก็เป็นแต่สักว่าธรรมใช่ไหเห็นพระรหันต์ไหมไม่เห็นพระเจ้าข้าถ้าไม่เห็นเธอยืนยันว่าพระรหันต์ตายแล้วส่วนนี่จะถูกไหมล่ะไม่ถูกพระเจ้าค้า เออแต่ก่อนก็ผมยังไม่รู้พระเจ้าข่าแต่เดี๋ยวนี้ก็ผมรู้แล้วเออถ้าท่านรู้แล้วเมื่อมีผู้ถามว่าพระอรหันต์ตายแล้วไปที่ไหนท่านจะตอบเขาอยังไรรูปเวทนาสัญญาสังขารที่ไม่เที่ยงนั่นดับไปแล้วจะตอบอย่างนี้พระเจ้าข่าเออถูกละถูกละดีแล้วดีแล้วนะเราจะมาหาพระอรหันต์ในสักคนละกาย สกุลนาไกมาเห็นดอกไกก็เป็นสัตว์ป้ายไกไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงกิตตานุปัสสนาทำที่เป็นกุศลและกุศลเทพบกเกิดกับใจเป็นอารมณ์ว่าทธรรมกุัลวะธรรมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงธรรมานุพัสสนาเลยไม่เห็นเชล้อพระรหันพระรหันไม่มีอยู่ในสกุลนาฬากายถ้าพิจารณาถูกก็เป็นหุนทางเดินข้ามเพื่อไปสู่พระรหันท่านเราจะหาพระรหัน์ในเรือมันก็ไม่เห็น่ะเรือสาหรับขี่ข้ามฟากข้ามไปแลาท่านมาอยู่ในเรือนั่น ถูกไหมเรือโกมาคือร่างกายและจิตใจของเราจิตเป็นพระทหารไหมจิตเป็นพระรหารไหมจิตไม่ใช่พระรหารจิตถ้าทำถูกก็เป็นห่อนทางเดินเข้าสู่พระรหารถ้าถ้าผิดก็เป็นทางสู่นรกอาัทิฏฐิสานเปิดอาตุลกายนี่ที่ว่าพระทหารจิตก็พ้นจากอาตระไม่ถือมันโดยอุปทานก็หมายความว่าพระทหา์ที่ยังไม่ตายยังไม่สิ้นลมจิตท่านบริสุทธิไม่มีสนิม สวนพระหลานตายแล้วไม่ไม่เป็นหน้าที่จะ บ, บั ญ, ญัติว่าจิตเหตุนั้นจริงว่ารูปพอดินน่าสรงชุมทันเป็นกายเป็นรูปจิตจิต ก, ก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมเป็นสภาพแปงกิจ<ม>เจตสิก ค, คืออารมณ์ที่นึกกับใจรูปจ<ม>ิตเจตสิกนิพพานนิพพานต่างหากไม่ใช่นิพพานไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่พระนิพพานพระหลานตายไปแล้วไม่บัญญัติว่าเป็นจิต เจ้าปัญญาต้องเป็นธรรมอันไม่ตายเท่านั้นน่ะนั่น น, ะนั่นะนขะนั้นที่ท่านพูดย่อๆจงทําจิตให้ว่า ง, งก็ทำจิตให้ว่างท่านพูดถึงวิพัฒนาเนอ้อพูดถึงสมาธิก็พูดจิตว่างในสมาธิมันเป็นแบบหนึง่งมันมีอุปท า, านอยู่จิตว่างในสมาธิจิตว่างในสมาธิมีอุปท า, านเพราะถือตนถือตัวว่าสบายใช่ ไ, ไหมนัน สบายเบามากสบายเบามากรู้แต่ว่ามันอยู่แต่มันไม่ปรุงประแดงไปกิจมันเข้าไปแล้วรู้จักแต่ว่ามันอยู่มันเบา ก, บกายเบากาสิ่งที่ไม่เคยไม่ดื่มอยูแต่แต่มันมีอุปท า, านยึดมั่นถือมั่นอยู่ว่าเราว่าเขาว่าสาระ บ, บุคคลอยู่ว่าเราสบายว่าเราดีเราชั่วยอยู่นั่นมันบรรจับตัวเอาขนส้อมหัวตัวอยู่นั่นสมาธินั่นเห็นไหมเรียกว่าระงับกิเลสส่วนกลางสมาธิไม่ใช่ส่วนละเอียด สิ่งที่นอนเนืองในคันธะําดางก็ปัญญาอันทุกขท่ายังรับได้เอา้ากิลเลสของพระอนาคามีถ้าจะพูดถึงเรื่องพระอนาคามีเี่ยพวกเรามันหาบแผ่นดินอยู่นะทุกวันเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นเอา้าแต่ว่าท่านผู้พ้นไปแล้วขอขอยกขอขออภัยเป็นผู้เลิศกว่าเขาก็สําคัญตัวว่าเลิศกว่าเขาเป็นผู้เลิศกว่าเขาสําคัญตัวว่าเสมอเขาเป็นผู้เลิศกว่าเขาสําคัญตัวว่าเร็วกว่าเขา เป็นผู้เสมอเขาสําคัญตัวเล็กว่าเขาเป็นผู้เสมอเขาสําคัญตัวว่าเสมอเขาก็มีเกลียดเหมือนกันเป็นผู้เสมอเขาสําคัญตัวเร็วกว่าเขาก็เป็นเกลียดเหมือนกันเป็นผู้เร็วกว่าเขาสําคัญตัวเล็กว่าเขาก็เป็นเกลียดเหมือนกันเป็นผู้เร็วกว่าเขาสําคัญตัวเสมอเขาก็เกลียดเหมือนกันเป็นผู้เร็วกว่าเขาสําคัญตัวเร็วกว่าเขาก็เกลียดเหมือนกันเพราะยังมีผู้ไปยึดถืออยู่นั่นนั่นั่นนั่นนั่ภูมิของพระอนาคามีพระอนาคามีละอันนี้แหละเขาเป็นพระหลาน พระนาคามีไม่สําคัญตัวอยู่ในที่ใดๆเลยเขาพูดกับพูดไปตามสมมติเขาเฉยคําว่าโคก็ว่าเหมือนเขาเขาว่าควายก็ว่าเหมือนเขาคําว่ากับอะไรก็ว่าเหมือนตามเขาเฉยแต่ไม่มีทิฏฐิมานะแต่ไม่มีกิเลสเข้าไปสิงห์นั่นเป็นของละเอียดมากเพียงไรนะไม่สําคัญตัวอยู่ในที่ใดๆดทั้งสิ้นเมื่อไม่สําคัญตัวอย่างนี้ใดใดทั้งสิ้นวิญญาณมาที่ทั้งที่ของท่านทำไมเนี ละเอียดไหมทางพุทธศาสตร์นะละเอียดถึงสนานั้นเดียดิอันกฎหมายจบไปเรากะท่าก็ตามเถิดถ้ากิเลสไม่บาบางมันก็เท่าเก่านั่นเองถูกไหมกิเลสถ้านาคามีบาบางไปแล้วกิเลสพระโสดาบันก็บาบางพอแล้วพระไม่ผูกจองเว้กับใครเพอเสร็จลบราค่าฟันกันอยู่เนี่ยมันก็ไม่ถึงพระโสดาบันถ้ามันถึงพระโสดาบันแล้วมันจะไปทําเครื่องลบราค่าฟันกัน ทำไมมันก็ไม่ไปทําสินั่นอบายยมุกมันก็เป็นไฟไหม้โลกอยู่แล้วฉไห น, นจึงพอสร้างอบายยสมัยฉไห น, นจึงพอสร้างจึงพอใจสร้าเครื่องรบราฆ่าฟันกันอยู่ก็พระมันไม่ถึงดาพระสดาบันถ้ามันถึงพระสะดาบันแล้วมันจะไปสร้างทําไมนั่นนั่นนั่นพระสดาบัน ับกับขี้เหรของตนมมนได้รบกับภายนอกพวกเราไปร บ, ก, บกับสิ่งที่ภายนอกเหตุแห่งเวรมันจึงสนองเวรสนองภัยกันอยู่นี่มึงเถอะมึงเถอะมันมีอยู่มันก็มึงเถอะเหมือนกันเราไปไปฆ่ากบฆ่าเขียดอย่างนีมน้มือมันก็ทำอย่างนี้ไอ้ที่แท้เราเข้าใจมันยอมเรามึงเถอะมันมีอยู่แต่ว่ายัางไงมันนั่นนั่น พูดไปถึงแบบนี้มันจึงจะเป็นการแล้วไปถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่แล้วะเพราะเราพูดเนี่ยจิตของเราสงวนอยู่ในโลกเนี่ยเราก็พูดไปตามเนี่ยมันกแก้กันยากเลยเพราะโลกมันแก้กันแม่ตกแน่เนี่ยแก้กันแม่ตกอ่ะพวกเราเกิดมานี่บางข่าก็จะเป็นเศรษฐีเนอะบางข่าก็เป็นคนคนขอทานเนอบางข่าก็เป็นคนร่ําคนรวยเนอบางข้าก็เป็นเศรษฐีแหละพวกเราได้ผ่านมาหมดแล้วเนี่ย พระบรมศาสดาจึงบอกว่าเธอทั้งหลายจงไปมองดูสิในโลกคนนี้ไม่เคยเป็นญาติคนนี้ไม่เคยเป็นเมตคนนี้ไม่เคยเป็นพี่เป็นน้องไปหาดูดูก็ไม่มีนะพระบรมาศาสดาไม่ชาติหนึ่งก็ชาติหนึ่งท่านพูดอย่างนั้นพวกที่เห็นกันข้าวเดียวข้างข้างเดียวพูดเห็นกันข้างเดียวก็ลังเกลียดเลยเนี่ยพราแต่ก่อนเคยเป็นเวรกันท่านพูดอย่างนั้นผูดเห็นกันข้าวเดียวก็ถูกนิสัยแต่ก่อนเคยเป็นญาติเป็นเมตกันท่านพูดอย่างนั้น เคยใกล้เคียงกันอะ่างนี้พระบรมสารีรามท่านนิสัยถูกกันพอกันเห็นกันแล้วยังไม่ได้พูดเลยนิสัยไม่ถูกก็เคยนิสัยไม่ถูกกันมาแต่พวกก่อนแล้วทันพูดอย่างนั้นนิสัยย่จประเจริญพราบรมสาสีาถ้าไปดูดูคนในใจโลกธาตุเนี่ยไม่เคยเป็นญาติพี่น้องชาติหนึ่งก็ต้องชาติเนอ่เคยเป็นปูเป็นปลาเป็นโคเป็นกระบือเป็นพ่อโคแม่โคเพ่าควายแม่ควายหรือเป็ดไก่อะไรซาราผัด ไม่ค า, าดหนึ่งก็คาดหนึ่งทนะ่านพูดอย่างนั้นเคยเจอกันมาแล้วท่านพูดอย่างนะั้นวิญญาณเหล่านี้มันไม่ดับท่านพูดเอ้าเพียงเพียงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ากับเดียวเท่านั้นกัปหนึ่งก็มีพระพุทธเจ้าห้าพระองค์บ้างนะครับสี่พระองค์บ้างกับนี่มีห้าพระองค์หน้านตาของเราชาติหนึ่ง ก็ออกไม่ไ ม, มากเก็บไว้ชาตินายศไม่ห้อันตราธานหายไปชัว่วกั๊ปหนึ่งก็มากกว่ามหาสมุทรสีมหาสมุทรนักน้าตาของเราไม่ค่อยจะออกเมื่อเป็นนังนี้ก็เอาแสดงเห็นว่าจริงแล้วนี่พวกเราเคยมาเกิดมาเก็บมาเก็ บ, ม า, กบมาตายมาทิ้งซากไว้แล่นเหยียบอยู่นี้มีแต่กระดูกของพวกเรานั่นเองนั่นมันมาเป็นดินอยู่สารพัด เป็นสักริชานมาก็มีห้ายชาติพันชาติแสนชาติกว่าจะมาเป็นมนุษย์ก็หลายชาติด้านชาติเทมเทวุเทวดาบ้างเป็นอิ น, นทรชลมอะไรต่ออะไรสารพัดทุกท่านทุกคน่แต่เปลี่ยนแปลงยากได้ไปด้วยอนิจจังบังคับไม่เหมือนพระโสดาบันพระโสดาบันก้าวหน้าจะไปสู่พระญานเสียนเดียวเหตฉะนั้นท่านจึงรับรองแต่เท่านั้นเหนือรองนั้นท่านไม่รับรองพระปรมมาสตร์เารับรองถึงผู้ถึงใจคณะคมแท้พวกเทเลนอบายยมุก พวกปิงป่องปิงแต่งอะไรตีกันท่านมาเนี่ยนักเข้าในพัทวาดาบันเนอนักเล่นเอาแพรเอาชนะกันพวกการแข่งเรือแข่งแพก็ไม่ใช่พัทวาดาบันเนอตีไก่อืหรือชกมวยเพื่อแพรเพื่อชนะก็ไม่ใช่พปชูปัทวาดาบันเนอนั่นนั่นละเอียดไหมล่ะนั่นนั่นเอาอันนี้เถอะอ ม, มันจัดถึงง่ายเลย พิจารณาอันนี้เป็นควบควบคู่กับภาวนาด้วยควบคู่กับทำสมาธิด้วยเมื่อสมาธิออกมาแล้วก็นึกอยากกไปอะไรต่ออะไรอยู่ลวงละเมิดอยู่มันก็ไม่ถูกมันใช่ภูมิปัฏฐานภูมิะโสดาบันมันเป็นชี้ลานุสติอยู่ในตัวแล้วพรามีศีลอยู่ในตัวแล้ว มันเป็นพุท ธ, ธานุสติอยู่ในตั ว, วเราพอถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วไม่คลายออกจะบ่นหรือไม่บน่นก็ไม่เป็นปัญหาเนี่ยนั่นเพราะมันฝังแน่นแล้วเข้าใจนยนะเข้าใจไหมนั่นจะบน่นจะภาวานาหรือไม่ภาวานาก็ไม่เป็นอะไรก็ภาวานาก็เพื่อภาวานาให้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองให้เรี่มสายในพุท ธ, ธศาสนา น, านั่นเองถ้าเลี่มสายในพุทธศาสนาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องภาวนาอยู่ในตัวใช่ไหมนั่น เป็นพุทธาธรรมาทัา้งขารนอยู่ในตัวใช่ไหมเอาเรามาพิจารณาอีกดูรู้ภาษาดิบุตรทมโมคลานอยู่สนใจรนาตบดโดยศาสดาอื่นมาเรื่อมใสพระอาชิเสียก่อนจึงถึ ง, ถงพระโสราบันนั่นนั่นนั่นก็สอเสียงเห็นว่าเห็นพระอาชิตย์พระอาิตก็เลื่อมใสในพระพุทธธรรมประสงค์เลยนั่น รวมกันอยู่ที่นั่นแล้วแล้วก็ฟังคําว่าอาตเชจเราก็สําเร็จพระสวดาบันก็เห็นอันนี้จังชัดเห็นอันนี้จังชัดก็คือพระสวดาบันเมื่อเห็นอันนี้จังชัดก็มาเสียดายอย่างลวงระมุดเสี ย, ยห้าอีกเหมือนกันนั่นอันเดียวกันคําสอนใดๆในใจโรกทาต มันเป็นเมืองขึ acceptable acceptable ้นคําสอนพระพุทธศาสนาหมดเออบุญใดใดในใจโรกธาเป็นเมืองขึ้นของพระเนยพานหมดนั่นทรัพย์สมบัติใดๆในใจโรกธาตมันเป็นเมืองขึ้นของพระนยพานหมดเป็นเป็นเมืองขึ้นของพระเนยพานสมบัติหมดนั่นรัฐที่ใดใดในใจโลกธาตเป็นลัฐที่ขึ้นมาพุทธศาสนาอยู่ในตัวหมดใครอยู่ใต้ฝ้าก็จำเป็นเพรจะได้เง็นดูอากาศเหมือนกันล่ะ เราม่ให้คะแนนฟ้าฝ้ามันก็สูงอยู่หรืออากาศกลางหาวก็สูง ก, นนกว่าเราอยู่ชั้นไหนก็ดีจะไม่ให้คะแนนจะพูดข่มพูดกดสักเพียงใดก็าตามพราะพุทธศา ส, สนาก็สูงอยู่เหมือนน้ามันเราจะบรรดัดว่าน้ามันนี่เป็นของหนักเทใส่น้ำรู้รอย่างนั้นมันมันมันก็ฟูก็ลอยอยู่นั่นชั้นไหนก็ดีพระพุทธศาสน า, าอย่างนั้นมันจะให้เกียรติให้ยศหรือไม่ให้เกียรติให้ยศก็าตามก็เป็นของสูงกว่าเพื่อนอยู่ ใส่ชื่อหรือนามไม่สำคัญเนอะอ ม, มันสำคัญอยู่ที่กับความบริสุทธิ์รูร้ไหมบริสุทธิ์สำคัญมากพ้าราชการมาสนใจพวกลูกห ล, ก ล, า, นลานมาสนใจทางพุทธศาสนามันก็น่าเรื่อบใสอยู่ ภูใจสูงจิงแกียินดีในทานฉินพอนะของพระพุทธศาสนายินดีในโลกทั้งปวงล้านล้านขณะจิตก็ไม่เท่ายินดีในพระนิพพานขณะจิจเดียวนะครับสามารถถึงรวสุธาบาันสัพพทาคาเมีนาคาเมีได้เหมือนกันนะคห้าจะบวชบวชยึดบวชใจอันบวชในผ้าเหลืองไม่เทากันหรอกหม้อล้อนก็ไม่เท่ากันหม้อดำเขาก็ถึงได้เหมือนกัน ทำไมถึงให้โกนผมก็พวกนี้ไม่หากินไปหากินขวาขอคนอื่นถ้าไม่อย่างนั้นไม่ทำหมายอย่างนั้นมันจะไปรักบวชมาขอคนกินฉะนั้นจึงให้มีอุปจาอาจารย์แต่พวกคุณไม่สามารถจะบวชมันก็สําเร็จพระอรหันได้เหมือนกันหลวงปู่พกาสามารถเป็นพระโสาบันได้เหมือนกันพระโสตบานดาบันข้างพระพุทธการมีมากมายทั้งคาราวาทพระสัตตขาคามีอนาคามีกรรมกัน พระหารก็มีมากพระสุโธธนะก็เป็นพระหารกาลววานนะก็คนไม่สนใจมันก็ไม่เยอะสิมีมากทุกยทุกสมัยธรรมดาของดีมันไม่เฟอร์มันมีน้อย ขอไม่ดีมันจึงเฟื้นใช่ไหมนั่นพระพุทธเจ้านานๆจึงจะมีมาพระองค์หนึ่งพระทหารก็มากกว่าแ ม, ม่ทินแม่ทายในท้องมหาสมุทรสี่มหาสมุทรที่ว่างไปแล้วที่จะมาในครั้งหน้าก็ดีที่นี่ที่ยังไม่เป็นพระที่ยังไม่เป็นพระศีนาศกก็ยังอีกอกโข่ทั้งล้านมหาสมุทรนั่นนั่นนั่ น, น, นก็ฝากไว้พระพุทธเจ้าองค์ องค์ทีหลังอีกศาสนาใดๆรัฐที่ใดๆก็ตามเถอะมันเป็นเมืองขึ้นศาสนาพุทธหมด<嗯>ถ้าเรามีความเห็นอย่างนี้จิตใจของเราก็ไม่ก็ไม่ลำบากเราปฏิบัติพระพุทธศาสานาก็ไม่ลำบากพุโทโธคำเดียวเท่านั้นก็มุ่งถึงพระา槃แล้วไม่ใช่พุโทโธหาจริงขนมเขาทาโมคาเดียวก็มุ่งพระ涅槃เท่านั้นแล้ว กาบสามหุนพุทธโทธรรมโอสังโฆนิพพานกาเพื่อพระนิพพานไม่ได้กาบเพื่อแก้ตัวะมันตอบมันได้ไดอย่างนั้น mm hmm. ภาวนาเพื่อพระนิพพานไม่ได้ภาวนาเพื่อแก้ตัวเช่นแผ่เมตตาอย่างนี้โยนี้สี่ทุกท่านหน้าจอมันสุขในพุทธธรรสงฆ์อยู่ทุกเมื่อเถิดไม่ได้แผ่เมตตาเพื่อจะหาราภเพื่อพระนิพพานเพื่อพ้ น, น, พอพนทุกข์ในวัฏฏะทุกข์สารนั่นภาวนาอันไหนก็เหมือนกันเพื่อพรพ่อพระธรรมสงฆ์เพื่อ อ, อนิพพานางนั้น ไม่คิดดิ่งอย่างเดียวทซะปัญหาก็ไม่มากเออเวลานี้เราไปหาภาวนาเถิดอ่าบางที่เราจะรวยอันนั้นบ้าอันนี้บ้าอันนี้มันยางไกลอยู่ดิมันยังไกลอยู่อันนี้รวยก็รวยพระเนรพลนะนั่นอ้าวมหาลาภมหายศมหาเสน่ห์มหาสุขก็คือพระเนรพลน่ะมหาลาภมหายศมหาเสน่ห์มหานิยม ก็คือพระสวสดาวันสักกาคามีนาคามีอาน า, า, าหาเหนื้อนองนั่นไม่ใช่ลาบในทางโลกียยศในทางโลกีสนเสือในทางโลกีเดียวก็เสื่อมทางวัตถุนิยมเราก็ชมวาดีอยู่แต่อยู่ใต้อุองอณิจังคบรรมศาสตรเธอทั้งหลายอาศัยวัตถุนิยม จงอาศัยวัตถุนิยมที่หามาได้ในทางที่ชอบเน้อแต่อย่าไปติดอยู่รีบปฏิบัติเพื่อบรรทุกในวัาสงสารนั่นพระบรมสา ร, ร, ร, รานะเธอได้ซับมาโดยทางที่ชอบแล้วก็ดีเธอจงรีบปฏิบัติเพื่อบรรทุกในวัาสงสารอย่าไปติดในทับวัตถุนิยมภายนอกเน้อพระบรมสา ร, ร, ร, ราวนะัตถุนิยมภายนอกจะมีมาเต็มแผ่นฟ้าแผ่นดินก็เพื่อปฏิบัติเพื่อบรรทุกในวัฏสงสารเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะเป็นเปรตติดอยู่ที่นั่นพันธุ์อย่นั้น โธโลมสัสสัาเธอจะมีรามียศมีสัส้เสริญสักเพียงในก็าตามถ้าคิดเด็ของเธอยังไม่ยุดหย่อนผ่อนลงแล้วเธอจะได้อะไรเดี๋ยวเธอตายได้เธอก็ได้จะได้มาเป็นเ ป, นเปนรตเท่าอีกนั่นโธโรมศาสาัาช้อนอย่างนั้นทําไมจึงไม่ยินดีในวัฏาสางสารมีอะไรเป็นหลักหัวใจก็เพราะมีอนิจจังทุกครั้งอ น, นัตตาเป็นหลักหัวใจเพราเห็นสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอ น, นัตตาตเสมอกันเหมือนหน้ากองทั้งนั้น กิดขึ้นในแพร่พัวน่าแตกต่างในโลกอันนี้ไม่มีข้อใครเลยไม่เป็นข้อใครตามสมมติโดยท่องแท้ใครเป็นเจ้าโลกในโลก น, นี้จีนก็ไม่ได้เป็นรัสเซียก็ไม่ได้เป็นอเมริกาก็ไม่ได้เป็นอังกฤษก็ไม่ได้เป็นเยอรมันก็ไม่ได้เป็นก็มีแต่ทุกข์กับตายใช่ไหมนั่นะแบมือเลยไปเกิดมาก็กำมือร้องไห้ มันจะได้มาตํากองทุกกํามือรอง <c oughs> พอเกิดมาคอร้องไห้เลยมันจะม า, มาผ่าอ่อนผ่านกองทุกใครเกิดมายิ้มมีสักคนบ้างไม่มีใช่ไหมนั่นมันเลิกไม่ดีแต่เกิดมาเหตุนั้นจึงว่าเกิดเป็นทุกข์เพราะเรามาสาธา น, านั่นแล้วเกิดมาผิว อ, อ, อ่อนๆของมันฟาดออกมาแล้วมันก็ถูกกับอะไรต่ออะไรก็เกิด แสกกรอดเหมือนหมามุ้ยก็ร้องให้กูจะได้มาผ่านกองทุกข์กูผ่านอยู่ในท่อเขาพอแล้วกูออกมาเขาเจอทุกข์อีกมันว่าอย่างนั้นหรอกอยู่ในท่องขาอยู่แบบนี้มีผลกินน้ำใส่น้ำน้ำตาลมีนลข้าวสาน้ำตาลน้ำต้าว ข้างนั้นแมน้ก็างน้านัแลวขงนันข้างห้น้างั้นข่างนั้นม้างนั้นข้างั้ข้าง้างนั้นข้างนนันข้างนั้น้้างางนัาานั้นางน้นขานางนั้างลั้น้า้นข้างนั้น้า้าน้นข้้น้นนนั้น ผู้ทรงคันอย่าไปนอนหงายมากนะเดีย๋ยวลูกคานขึ้นตายเลยนักองทุกข์ที่ไหนมันเป็นทุกข์ในโลกหนึ่งอะไรสองอะไรสามอะไร อ, ะอ้าเอามาดูดูอ๋ไม่มีนั่นเอามาดูดูบุคคลผู้หาสแสวงหาสุกข์ในโลกสิบสองปีไม่พบ ร่อนจนถึงเทแค่ใบเก้าพระบรมศาสตร์ดาเจงมาสอนอันเป็นมงคลเสวนาเจป า, า, ารนานังการไม่พบคนผานเป็นมงคลอันอุรมด์ดีคนผ่านก็คือจิตใจของเรานีเองะมันมาผานเราอยู่นะพวกคุณก็ยังอยู่ต่อไปอีกใช่ไหมโอาจะกลับแล้วเออจะกลับ ไปภาวนาเพาะภาวนาเพื่อคนทุกข์ในวัฏจักงสายไม่ได้ภาวนาเพื่ออวดกันดอกว่าอย่างนั้นอ๋อเอาม า, มาให้เอาอกันเนอะหนึ่งคือใจสองคือกายกับใจสามคือกายวายกายใจสี่คือธาตุสี่ิน้ำไฟลมห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารเห็ ญ, ญ, ญาณหกคือตาหูจมูกเรื่นกายใจ เราไปนับแต่อย่างนั้นถ้าให้เรานับ7เจ็ดคืออภิริหารธรรมมีเ็ดอย่างแปดคืออัก 8, อกธ 9, ก 4, ิจกรรมะค้าแปดเก้าคือโลกุตตรธรรมเก้ามรรคสีพ้นสีนิพพานสีนิพพานสิบคือกุศลกรรมบัฏสิบถ้าเรานับเรานับอย่างนั้นเราไม่นับเหมือนพวกคุณนับพวกคุณนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์กผูกได้นับอย่างนั้นบางทีลกูกผูกก็เอาเลย ดีมีใจลูกหลานด้วยการลูกหลานสนใจในพระพุมธศาสนาดีแค่มากแต่ยังยังมีเพื่อนยยังไม่อพัพก็ยังมีลูกหลานปฏิบัติอยู่ยังไมนอ พ, พัพพระพุทธศาสานามันอพัพง่ายพูดที่ถือพุทธศาสนาเนี่ยเขาเป็นคนง้อไหมเขาเป็นฉลาดพูดพูดไม่ซื่อาศาสนานเราเป็นคนฉลาดกว่าเขาหรือทาไมไม่สิยา อนนั่นก็เป็นเรื่องของเขาหมอกห้เขาสักอยากจะลงมาทางไหนพวกคุณเขาลงให้ใจเข้าออกได้ขอข อ, ขอให้จับลมขอจับลมมันก็สงบอยู่ในตัวมันแล้วะเพราะเจ็บไปฟุ้งซ่านมันก็เห็นเท่านั้น เิดไม่คุงทบมันก็เห็นทนันถ้าคิดคุ้งทราบมันก็มาเห็นเนี่ยเราต้องการเห็นเห็นไหมเดี๋ยนี่อ๋อลงมาจะเข้าเอาอต้องการเห็นไหมเห็นเห็นไหมน่ะต้องการเห็นก็ต้องให้เห็นเว้นไวแต่ไม่ต้องการก็จริงมันสงบในชั้นที่จะนา่า สงสวดแบบหนึ่งมันไม่พิจารณาเนื้อใจรักเพราะมันพับเข้าไปแล้วมันก็เงียบเลยหูมันได้ยินอันนั้นมันไม่พิจารณาอะไรหรอกเดี๋ยวมันถอนออกมาแล้วมันจึงมาพิจารณาอันนั้นแบบนั้นแบบหนึ่งเดี๋ยวแบบนั้นแบบหนึ่งถอนออกมาแล้วโอ้สมาธิขั้นนี้ก็อยู่ใต้อํานาจอันนจังหนอออกมาแล้วมันก็พิจารณาสจรักทีนี้แบบนั้นแบบหนึ่งแบบหนึ่งพอเราหายใจเข้ามันก็เห็นแล้วเห็นทั้งครามเกิดขึ้นแปรปรวนและแปรกระจายแล้วเราหายใจออกก็เหมือนเดิเออ <i> เห็นเห็นลมดันหยาบดันเห็นอยู่เพราะมันทานานเราต้องเห็นแเราพิดตายอย่างนี้ก็เห็นมันเกิดดับด้วยกันเราเนี้มันคอมเมนต์กันมันโกงเจ๊งเจงไปอย่างนี้มันันมนเกิดดับทาระหว่างไม่ได้เหมือนกันเลยแปรปวนห่าระหว่างไม่ได้เหมือนกนันเกิดดับห่าระหว่างไม่ได้เหมือนกันเนี่ยเกิดดับไหม่อันนี้จังไหมล่ะนั่ง น, นั่งจะยากอะไรนั่ง น, นี่ ออตอนนี้เอออ๋ออยากให้เพิ่มแจกเนื้อมันยังไม่พอถ้าเพิ่มมาดีมันนิดเดียวหนิมันนิดเดียวหนิก็เขียนต่ออีกนี่อือ้เนี่ยฮาร์ดสาระเพราะคนมันไม่ไม่มันมันชอบจะปีนมันชอบจะปีน ชอจะปีนชอบจะบปี น, ปนอันนี้เอากระชับรัดรับชิดทิมาละคนเออเอาไหนบ้ากันเอ้าเอ้าไหมกันไปเอา้าไน่ตองชงในผ่ามองชงนผานองชงในผานงสองชนผ่า การังจนีเม่นตัการาวารบนการจัดารย่าี้ีง้นางนี้นี่นวลนวนัทการะมื่นตั้ตาการัวกาบินการจัดกอะไร่นี้ไม่ถ้าเราจะพูดทางเอกสารนะครั ถ้ากรุงเทพก็จะฟังไม่ออกใาเรื่องปวารณาท่านเป็นสมัมมยยังไงให้ปวารณาทําไมถึงให้ถ้าเทศหลวงแก่ปวารณาก่อนก็เพราะเหตุว่าจะให้เสี่องอยงยากของคนระบาดทุดท่ายโดยใจความแห่งวารณาก็บอกว่าคิดเถอะหน่อยขารณาตอบหลงถ้าหากว่าคิดเถอะหได้เห็นก็ดี ชู้เตะนะมาแล้วยัความเสียงข่าวข้าพเจ้าปฏิวัติไม่ชอบทำก็ดีปยิสังการละวานิยมสงสัยรงเกลียดก็ดีเมื่อดที่ตัมาอายักษันต์นนกกับปางองป่าได้ยังทรงทองตักเตือนข้าพเจ้าบ้าโบสถ์แหน้เคาะตักเตือนข้าพเจ้าบ้าไม่หล่ะนในความหมายในราวนะความหมายในภาวนามีเท่านั้นที่นี่เรียกว่ามหาภาวนาถ้าภาวนาแล้ว แค่ก็มัดทำให้เขาล็อกในภาวนาของเจ้าของถ้าตักเตือนกันก็โกรธนี้อันนี้ก็น้าพี่ารณาดีเพราะว่าลัทศาสดาบอกว่าเพระพุทธศาสนาของเราจะเจริญเพรด้วยตักเตือนกันผู้น้องตักเตนผู้ใหญ่ก็ต้องตัดเตือนทําเป็นเธอปึกษาอย่าไปจับหมูหิ้วทําอย่างนั้นจะเป็นยังไงผลักทำอยางนี้จะเป็นยังไงพลั พขเรียนศึกษาว่าท่านรู้ตัวของท่านท่านก็สกัดเองส่วนผู้ใหญ่ตักเตือนผู้น้อยนั่นเนี่ยแต่กรณีที่ท่านเห็นสมนี่ก็ไม่บัรทำไม่ถูกระเบียบมีอยู่้าย่างก็จะซึงทำมาอันในที่ข่อหน้ากลับทำเสียในที่รับหลัง กรรมจะทํารืการสอบถามทําด้วยไม่สอบถามกรรมจะทำด้วยไม่ปัญญาทํำด้วยเไหมปิญญาเป็นต้นนี่ว่ากรรมในบัตรทําแล้วกวเป็นอันทํำย่างไม่เองที่รูปให้ท่าถห็นที่รูปภาวน า, าห้ารู ป, ปรวาราณามันจะรวาราณาไม่เหมือนไม่เหมือนอโบอสถดโ อ, บอดุบสุดจะสี่รูปสวดได้ภาวนาห้าราาูป ถ้าสีรูปภาวนาเนาี่ยเรียกว่าคณะภาวน า, นาไม่ใช่สังฆวารน า, นาสังฆภาว น, นาต้องห้ารูปสีรูปพระธาตุศินสีรูปภารน า, นาเรียกว่ากรรมวิบัติทําเนี้ควรเป็นอันทำกรรมวิบัติเป็นอะไรเป็นอาบัติทุกกดทําก็เป็นอาบัติทุกกฎ มีปัญหาสอดเข้ามาว่าถ <labeled> ้าว่าไม่ในการปลอรณนาเพราะพรธศาสนาก็ประปะวัด <ipple> ทุกบททั้งนั้นฟลอรณนาถ้าในสุจํามันสาทำมันสาขาดเป็นอับัตสาเจตก็มีเป็นอาัตทุกบทก็มีเป็นอาัตทุกบทก็คือไม่แก้งจะทาให้ขาดถ้าแก้งจะทาให้ขาดเป็นอาบัตสาเจตีเพราะเสียสัตว์เสตนังอีกเจ็วันเป็ทุกวนฟอรณนา ก็ดีหรือไม่ก็ยังก็ดีถ้ามีธุระไปก็สัตาหะไปแล้วก็ปวารณาข้างหน้าไม่กลับมาปภาวนาอีกไมได้อะไรเรื่องถ้าปภาวนาแล้วตักเตือนกันไม่ได้ก็เรียกว่าไม่เคารพวารนาอันนี้อีกข้ออีกข้อีก ยังว so the no the no ่าเล่นเฉยๆทาเล่นวิธีเฉย่ก็ปรับเป็นดาวัดทุกบทอตกละถ้าตักเกือนไม่จะขอโอกาสหรือไม่พ็ได้ประภาวนาแล้วที่เรื่องตรวจดวัดจะขอโอกาสไม่ถ้าตรวจดาวัดไม่ขอโอกาสเป็นนาวัดทุกบทนะพ่อแม่ยดงมีอยู่ถ้าภาวนาแล้วอย่างนี้ไม่ต้องจะขอโอกาสก็ตรวจดาวัดเลยก็ตรวจัเอเราจะว่ากับพท่านอย่างนั้นอย่างนี้ ท่านทำอย่างนี้มันผิดท่านทําอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นท่านทำอย่างนี้เป็นอย่างนี้เรียเตือนกันได้เลยไม่นต้องเผาขับพระพรานาแล้วในรัตีรัตีจึงเรียกว่ามหาพรานาก็มีพระองค์หนึ่งออกไปจากนี่จะไปพรานาข้างหน้าท่านคฤห์เมื่อวานเนี่ยไปเพราะคุณยายของแกจะเส้นลงปางราณมุกจะเส้นตอนคืนนี่ก็ อ, อา่านได้ แล้วเขาได้จัดท่าให้ให้ท่านุณทําจัดท่าให้สำหรับไปกินไปทางทาเอา้าไปให้เอาาไปาาา mm. รั้ก็ไดนะทิศสามคนหรือเปล่เงินเท่าไหรไปสองพันเอาเงินไปให้สองพันบาทเลี้ยเอาไปด้วยน mm. ี่เรื่องกระถินกรปฏิดหวัิยังไงมีปัญหาข้ามาอีก mm. เรื่องกระถินในสมัยที่ผมอยู่กับลพบุรูมาก ทำไมรับกรเทินเลยทำไมนั่นเป็นสมัยสุดท้ายของของโลกภูกกมันเพราะท่านประยู่ก่อนอนะครับนนี้ดูบ้มันถือเพราะฟันที่เล่าแต่แตท่านประยูกแท่เลาขาเพิป่ประโยชนด้วยเล่าที่เล่าที่เบสาทุกสองทีไม่มีใครไปพอดกะิะเลยที่โลกูลกูฟันโลกูออนก็ไม่มีใครไปพอดกระเทียมกรนเัยมในสมัยนั้นไม่ค่อย เทเยียร์เทียนกันวันทุกวันนี้มันมีอยู่ในนักเรียนอยู่ในกรรมฐานไม่ค่อยมาเพราะกรรมฐานก็ไม่มากนะใช่ไหมคแลวท่านก็ไม่นิยมเกษียณผิดชื่อด้วยทีนี้เขามาท้าเกษียณลุงปูมันเขาทายังไงเขาบอกว่าม า, า, า, ม า, าท้าเกษียณเขเมลางยักษหงแักษโคกสาดาธิดาสนนวอแล้วกดิ์ยักษกรนายวันคมนามูล กำนางทองสุขภาวนาเมืงโบราณคณะละ่ะเที่ยวไปทเที่ยวมาแล้วล็อกปูมันเขาเอาผ้ามารองร้อยหลาส์ก็นีรองลายเม็ดก็นีมาแล้วเขาบอกว่าไม่ชอบกระเจี๊ยกล็อกปูมัน่นพอมาถึงแม่ก็ไม่กล้าวาดไม่กล้าว่ า, า, วาดี่มั้งอย่างนั้นอย่างนี้นนไม่ก่าอธิษฐานแล้วเอามากรองไว้เอามากรอง ไ, อาาองไว้ครับ แต่ว่าท่านก็บอกให้พระเตรียมเตรียมสวดอยู่แค่ว่าแต่พอมาแล้วเขามันกล้าว่าสักอทีนี้ทุกแสงอย่างนั้นอย่างนี้เขามักล้าว่าเขาผ้าดไปกองไว้แล้วหมดเรื่องแล้วหรืล็อกหัม่านะหมดเรื่องแล้วหมดเร่องแล้วล็อกหอวม่าอธิษฐานเลยอธิษฐานก็เอาจักออกมาเอาจักรสี่คันยืมเขาจักประจําวัดของล็อกมัวม่านมาตักมาเย็บกันอยู่หกฟันเจ็ดฟันจริงสร็ง นี่ครับู้มาหาเป็นหัวหน้าตัดมีท่านอาจารย์วันเป็นคนเย็บผมอยู่ในกองซักอยู่ในกองแยียนขนุนสมครับยังตัดจะเป็นดี๋ามายุกเดี๋ามายุกไล่ไปไล่ไปเป็นหนูครับพวกกองซัเกเยียนขนุนแล้กองต้มง่ามกองยอ้อมผมทําไว้นะ เราไม่อบใค scope, ไม่ได้หรอกเย็บก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นตัดก็ไม่เป็นแฝงภาษาผมจึงตัดผ้าลังคาเี่เป็นผมจึงเย็บเปลี่ยนแฝงภาษาเย็บเป็นตัดเปลี่ยนแฝงภาษาเรื่องตัดผ้าอย่าพักระเทิ้งโม่เรื่องตัดผ้ากับหินไม่ต้องไปลําบากหนึ่งสองกระเทียนี่เขาใครเข้ามาในขั้นใหญ่หนึ่งสองกระเทียนี่เขาใครเข้ามารอใครเข้ามาเ้วก็ขั้นหน้าก็ ลอดออกมาตามส่วนของกุศลรัดออกเปนขันเลยไม่ต้องการตัดออกแล้วมาปั่นกั น, น่ะลําบากรัดออกเป็นขี้ขี้เลยทีนี้เรื่องรถกู่อ่อดรถกุ่อฟันก็ไม่มีกระถินในสมัยนั้นแต่ เ, เขามานิยมกันซึ่งมานิยมกันในหลังหลวงผัวมันนิพพานแล้วเนี่ยก็พระกรรมฐ า, านกน็มีมากขึ้นต่างที่ต่างนิยมกัน มาทานแต่ก่อนไม่ไม่ค่อยดีหรอกมีทุกแจกท่านเรียนอาหาที่ทุกเขาจะมาอกระถิ่นเขาก็พูดมาทอกทาาทกบกะัะถินเฉยพอมาถึงแล้วเขาบังสกุ่นในสมัยยุคบ้านน้องเผอเนี่ยไม่ได้รับกระถิ่นเลยนี้เรื่องกระถินหลวงปู่บานเคยอธิบายมันเป็นของละเอยียด <Okay. S 1> และอมมากน้องเผือกทำทุกวันนี้ก็ค่อยปูกทุกวัน เขาให้ตัดในวันนั้นเขาให้เย็บในวันนั้นเขาให้ยอมในวันนั้นจึงมีว่าพิสูจผู้กักผ้าเป็นเนาเป็นเนาผ้าเป็นย้อมเป็นผู้วยจากคติฐานใจกีวรนด้ จ, จักมาติกาแฝดหรืออันนี้สองห้าในอัธกถาการบอกว่าให้พิสูจน์ผู้มีกีวอนเก่าในพระบาลีบอกว่าผู้ใดู้จกักอันนี้สองห้ามาติ ก, กาแฝดด้วยจากเย็บย้อมูุพกาอุปกรณ์เพื่อนั้นต้องเป็น เพื่อผู้ฟองกระถิ่นย่างอู้ให่นี่ที่เขากำลังจะมาอยู่นี่นะน้อเป็นวันที่ยี่สหกนี่พผมมาเขาก็รู้ว่าจะปฏิบัติกับหมูเล่อนอยังไงเขา ม, ม่ไม่ถูกในระหว่างคนละวัดเดี่ยผมขอประวัตินาไว้ว่า พวกที่ปวานนาอยู่ทีเราเนี่แหละถ้าใครไม่มีกีออนให้มาตักเอาไม่มีสั้งคาสีก็มาตักเอาฟงจะพอกันอยู่ผมขอปวานนาได้ผ้าสมาคมก็มืนกันและจักของเราเขามีอยู่พอได้เยอะแยะอยู่สองสามสี่ขันมาห้นหขันมขันมันเรียกไม่ได้ผมขอปวารนาหมอไว้ใครทัดข้อมข้าให้มาตักเอา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 เพราะเนาียบเงอยู่เพราะ่ัเขาไม่บอกว่าพระที่อยู่จำพวกนี้มั น, นีัมันมาด้วยครับเขาเขาไม่บอกแต่โมยจะมีศรัทธามาช่วยกว็าตาม mm. ก็ไม่ว่าแต่ธรรมราขเห็นที่นี่ถ้าพูดไปตามทำได้ไหมคือเขาให้รางวัลแก่ผู้สุขผู้ชำระาาอยู่ที่นั่นเราแต่งาสามเดือนซึ่งพัรษาไม่ขาด่วนสมัยที่อยู่กับหลวงปู่มั่น่ะ เพราะมันมันมไม่มีกรถินมันก็เลยบอกว่าสูงเนี่อกข้านเาไปช่วยกถินคนนั้นช่วยกรินคนนี้ไม่มีเพราะมันไม่มีสมัยนั้นานมรักรถินเลยเยกวา่าท่านไมรับก็ถูก เ, เขาก็ไม่กล้าบอกับท่นบานว่ามางับิวารางาังศนักพุทธสังอย่างนั้นนี่เขาก็ไม่กล้าว่าเขามาแล้วก็มามาฆ่ากองใว้ท่านคนเลยอห้ข้ารนเอาให้ท่านอยู่บางสุบ ถ้านบอกว่าถ้าบางสกุลก็เป็นสงวนกัน ท, ทั้งคู่เราไม่ได้รับคนเดียว ท, ทั้งคู่อย่างนั้นถ้ า, าราับมาเพื่อสงก็ไม่ถูกถ้าอารับารมาเพื่อตอนก็ไม่ถูก ท, ทัก้งควยงนั้นดีนี้ถ้านบอกว่าผ้าบางสกุลนะั้นถ้ารักคานแล้วก็ปะได้ถ้าเป็นนังคาร์จะทำสิ่งทั้นก็ได้ถ้าเป็นผ้าบางสกุลถ้าเป็น ถ้ารักศสีษะทำสองท่านถ้าจีวรท่านเดียวถ้าเป็นข้าบางสกุลถ้าจีวรจะจะทำสี่ท่านจะทำสองท่านก็ได้ศรีินจะทำสี่ท่านก็ได้แล้วแต่ความประสงค์อันขาดเวลามันปัดมันทุน่านจะห้าวรท่านก็ได้ส่วนข้าศรี่ะถ้ า, า, า, ถ า, ถนนถามาขาดลอมจ่อเลือดแล้วเย่างวาอธิษฐานกับทังอัชรารามิยังไม้ขึ้นฉันพูย่างนะ้นาอยู่ไหนก็มีดร้ะอันท่สองห้าเที่วไปไม่ต้องบอกลา ตามเฉยนะครับว่าีนี่กีวอนเกิดขึ้นในที่นั้นไม่ต้องไม่ตัดถ้าเป็นของส่วนตัวเลืกเป็นของได้เต่พเพราะเจอทนายเหล่านั้นและได้ขยายมีวอนออกไปจนถึงเพนเดอรสี่ถ้าได้มาไม่ต้องไม่ลับก็ได้ถ้าเก็บเป็นส่วนตัวเที่ยวไปไม็ต้องบอกลาเที่ยวไปไม็ต้องซื้อเอาใจกีวอนจะตบกีวันจะตบสามฝืน ฉันคณะโคดคะได้ฉันวงกลมก็ได้ฉันสองหัวก็ได้แต่ไม่มีใครเอาดอกธรรมทานมาจากรกี่วันตัวไหนก็วหนึ่งได้อันนี้สมทัญญาภาปจักรได้เหมือนกันแต่ไม่ค่อยมีใครปจักรกี่วันตัวไหนตหนึ่งอกถ้าว่ากี่วันตัวไหนตัวหนึ่งหมายถึงสามถึงสระวงกี่วันจะขาดอิทห้ามทิศกู่ อธิษฐานตรียวันเกินกว่าธรรมดาทรงเอาอนุญาตให้มีมังสัางคาเสียงได้เส้นเดียวมีมังมุตราสร้งดังได้เสนเดียวมีมังอัตราวาคัดังได้เส้นเดียวหลวงพ่อแนะนท่านไม่ได้หรือเ่านแต่กรณีไม่ได้จับหรืออะไรก็แ้แต่สะดวกกัน ถ้ากระทินมีผืนถ้ากระเทินมีผืนเดียวยา ก, การสะวงก็แล้วทั้งคาสีกีวอนถ้าจะเอาทั้งคาสีก็แล้วกีวอนทีนี้เราจะว่าธรรมนาทํำมาไปหมดก็ไม่ได้นิมังอันตวาสกังกะสีนังอัตรานินีมังมตราสังยังกระสีนังอัคตรานินิมังทั้งคาสิกระสีนังอัคตรานิ น่านันไม่กลัว